จเจริญพรท่านสาธุชนอุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติของทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามารับชมรับฟังได้เราจะเริ่มต้นกับพวกเด็กๆ ก, ก่อน อันนี้มีเด็กๆน้าคุณม้าบ้างน้าคุณเออเปิดเปิดเปิดห่อยเไม่ได้เปิดสี่สัญญากันว่าไงาากล่าวั่นการค่ะพระอาจารย์เป็นไงสบายดีนะสบายดีค่ะตอนนี้อยู่กันสองคนแล้วค่ะพระอาจารย์แยกทางกันแล้วหรือัานิจังแยกแยกแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่ายัง เรื่องเอกสารยังค้างาาอยู่ค่ะน่าทุกข์ค้างไหมเห็นทุกข์ก็ยังเห็นทุกข์แล้วค่ะเห็นทุกข์คือสําหรับหนูคิดว่ามันน่าตาน่าตาน่าตาห้ามเขาไม่ได้ค่ะสําหรับหนูคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพียงแต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะพระอาจารย์ที่เราที่เรารู้สึกเป็นห่วงลูกอันนี้คือคือมันมัน ก็มม่เห็นอนิจจังตัวโลกอย่ีกอะไปห่วงมันทําไมออเลี้ยงมันไปเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันค่ะ่อจะเกิดมันก็เหมือนก็ถ้ามันสวิสัยมันก็เป็นอนัตตาไปอ๋อก็คือเป็นเป็นกรรมของเขาใช่ไหมคะเราอย่าไปทุกข์กับเขาแล้วกันค่ะทุกขพอยากให้เขาได้ที่เราก็ไม่รู้จะดีแล้วไม่ดีเราก็ทำแล้วก็จะเห็ ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะก็แล้วกันส่วนเขาจะดีไม่ดีนี่มันก็เรื่องบุญกรรมของเขาค่ะพระอาจารย์ทีแรกนึกว่าจะไม่ไหวคิดว่าจะต้องกลับไทยซะลัตแต่พออยู่มาได้เกือบเดือนแล้วความความเข้มแข็งมันมาจากไหนไม่รมทราบค่ะคือได้นำธรรมะของพระอาจารย์มาใช้ค่ะยี่เพื่อน้องตนอุะเจ้าบอกนะค่ะ พยายามสู้กับปัญหาไปจนกว่าจะสู้ไม่ได้แล้วค่อยๆว่ากันถ้ายัางสู้ก็สู้ไปสู้ด้วยธรรมะอย่าอย่าถอยถ้าไม่มีคำจะอถอยไม่ยังไม่ต้องถอยสู้ไปค่ะพ่งให้ทนายยื่นไปใหม่ด้วยค่ะว่าคือแบบอยากอยากจบทุกอย่างแล้วคื อ, อช่วยทำแบบเท่านั้นตามที่พระอาจารย์นแนะนําค่ะอย่าไปมีเว ม, มีกรรมอะไจากกันด้วยดีดี嘛 ค่ะพระอาจารย์ เ, เวลาพบกันก็บพบกันด้วยความรักจากกันและลงจากกันด้วยความรักใช่ไหมค่ะได้นําคําสอนมามาใช้แบบอย่างมากเลยค่ะตัวตัวหนูเองค่ะนี่แหละคือการแผ่เมตตาใ่ไค่ะหุ่น <laughs> ตุ่ยสัเพสตัต า, าเวลาหุ่นตุ่ค่ะมีเวณมีกรรมกับใครทั้งสิน้นให้อภัยกันเอาหสิ็ค่ะพระเวณไม่ระงับด้วยการจองเวณ เวรทุกย่งไม่จางเวกค่ะทีแรกแบบมีมีหลักฐานนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากที่แบบว่าจะฟ้องจะฟ้องได้นะคะพอฟังพระอาจารย์มาเรื่อยๆก็ลดความโกรธแล้วก็ลดความแบบไม่ไม่อยากเจอไม่อยากมาผูกเวรผูกกรรมกันอีกแล้วอยากตัดพบตัดชาเหนื่อยไปเปล่าๆสู้กันจนเหนื่อยไปแล้วนี่ไม่ดีนะว่าฆ่ากันตายค่ะ <c oughs> พระอาจารย์ จะอย่างนี้ดีที่สุดนะบายบายแฮปปี้ใยกันทั้งคู่ค่ะก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะอาจารย์ไปค่ะบุญนอนมีแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอาจารย์บุญนอนมีแค่นี้ค่ะเหมือนเป็นบททดสอบเลยนะคะว่าอาจารย์ว่าที่ที่ที่ปฏิบัติที่ผ่านมาว่าค่อยๆทํามาเรื่อยๆแล้วพอมันเจอตู้มมันไม่ได้รู้สึกแบบตกใจเสียใจหรืออะไรเลยมันแค่มีความรู้สึกเดียวคือ ห่วงลูกว่าต่อไปจะยังไงแต่พอตั้งสติได้ก็โอเคต้องต้อ ง, ต, องต้องเลี้ยงเขาให้ได้คนเดียวไม่ยากหรอค่ะนะเราคนเดียวทำได้พ่อแม่แม่บางคนเลี้ยงลูกต้องสิบคนยังไงได้นดั <c oughs> นจะสิขรวอาจารย์เลียงมันตามมีตามเกิดอย่าไปตั้งความหวังให้มันสูงเละนี่มันตามกําลังของเราไม่ใช่เรือ อย่าเป็นเรื่องมันเกินกําลังของเราค่ะพระอาจารย์มีคนเดียวเท่ากับมีสิบคนเลยครับอาจารย์เนี่ยกล่าพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่ชี้นําทางเนี่ยก็ยินดีเนี่ยทำของพระพุทธเจ้านะครับการพระเจ้านะกราบขอบคุณพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้สอนให้เรามีความเมตตาต่อกันค่ะ พูดโทรช่วยได้มากเลยค่ะนโอเคค่ะท่<ก>ท น, นี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์อา่าท่ที่เจ้แม่กัดแจ็กที่นั่งต่อรา่อรางนรัมศการพระอาจารย์ครับอ่าว่ามาเลยครับส่งกันบ้านครับอ่าว่าเลเรา ม, ามานนีความแก่เป็นธรรมดาจะโล่งความความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องคนเราเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องคนความตายเป็นไม่ได้เราจะเว้นเป็นต่างคือว่าเราจะต้องรัดพรอกจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทำกทำไรรมใดไว้เป็นเป็ น, ปนบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับบุญของกรรมนั้นๆสืบไปเราวทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเธองานใหญของเรามีอะไรบ้างมีผมผน<ม>เล็บฟันหนังเหงือกเอ็น ก, ใ น, ในกระดูกยี่ห้กระดูก น้ำหัวใจจับพื้นไต่ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารม่เก่าเยื่อได้สมองศีรษะน้ำดีน้ำเสดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนือยน้มันนน้ำตาน้ำเหลียวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้าน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ขาวน้ำพูดน้ำลายน้ำเหลียวน้ำตาลข้นน้ำเงื่อนเลือดน้ำเหลน้ำเด็จดีเยื่อได้สมองศีรษะ อาหารก่อนนยนใช่น ใ, ชใหญ่ป อ, ปอดตาลิ่งขตึกับหัวใจ ม, มรรั่งยนในกระดูกกระดเอ็นนิ้วหนังตาเร็บอ่ะมีอะไรไหมวันนี้จะรายงานผลการนั่งสมาธิครับอ่ารายงานเสร็จไหครับ ก, ก็วันนี้ครับก่อนเข้าซูมก็ได้ทําการนั่งสมาธิสดมณ์ครับก็เป็นยังไงคือ <C ut ters> ครับปกติจะเปิดไฟดวงเล็กไว้อยู่ดวงหนึ่งครับแต่วันนี้ก็เลยเลองปิดดูครับก็มีแต่ความเมื่อครับไปเหมือนกลางผีได้เหรครับตอนแรกก็โอเคครับก็นั่งสงบอยู่ครับแต่ก็สักพักหนึ่งก็เริ่มกลัวขึ้นมาครับอืมแล้ทำไมนะกลัวเพราะวาเห็นเงาของของเล่นครับ เป็นค น, นสงสูมองเลยค่ะถ้าเราไม่พุโทโธเนี่ยนั่งนั่งเฉยๆมันก็ปรากฏของนี้ขึ้นมาไม่มีสติเพราะนั่งแบบไม่มีสติกินมันก็หลอกเราเองมันก็สร้างเรื่องมาหลอกเรางั้นอย่าอย่าทิ้งสติเวลานั่งสมาธินะต้องพุโธพุทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธหรือว่าถ้าเพ้อพุทโธแล้วมีอะไรขึ้นมาหลอกเราเราก็ต้องรีบพุโทโธพุโทโธ ท, ทันที เข้าใจนะเข้าใจครั บ, บอพ่พุโทโธพุทโธเดี๋ยวเดียวมันหายไปของเราหายไปไแล้วทํายังไงหายครับบพ่พุโทโธพุทโธครับแล้วก็แล้วก็พิาจารณาว่ามันคือเงาของนิ่นครับเอ่าิจารนะว่ามันเป็นเม่ของไม่เที่ยมันเกิดขึ้นแล้วเดียวมันก็หลับไปอ่ามันอนัตตาเราบางห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันว่า อแต่ไม่ต้องกลัวมันทำอะไรเราไม่ได้ทุกอย่างที่ปราคนในสมาธินี้มันทําอะไรเราไม่ได้เข้าใจไับไม่ต้องกลัวเป็นเหมือนดูผีในจอมันเข้ามาทําอะไรเราได้หรอเป่าเวลาเราดูหนังไม่ได้สับสนใจเราก็เป็นเหมือนจอนังเวลานั่งสมาธิก็เหมือนดูดูหนังในใจเรา ถ้าเรามีถ้ามีคอนโทรลดีๆเรามีสติดีๆมันก็ไม่มีอะไรปรากฏมันก็จะนิ่งจะสงบจะไม่บยังต้องพยายามนั่งอย่านั่งแบบไม่มีพุโทโธนะต้องนั่ง ม, มีพุโทโธหรืออะไรถ้าดูลม ก, ก็ได้พุโทโธก็ได้แต่อย่านั่งเฉยๆก็นั่งต่อได้ปะนั่งต่อได้ครันั่งต่อได้ไม่เดือนนอนเนะีะก็ โอเคหายกลัวเลยครับก็เริ่มหายกลัวนะคะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วตอนที่มันปรากฏขึ้นมาทำในบอกแม่แล่ะไม่พาแม่เลยไม่ครับอ่าแล้นต่อไปแล้ต่อไปพูดโธต่อไปเลยครับอืมแลจ้จตตี้เจออะไรไมแจตตีก็คือตอนนั่งสมาธิครับตอนนั้นไม่สงบอกครับมันมีสต่ความคิดในใจครับ แ ต, แต่ว่าพอพิจารณาเสียงแอร์นะคบที่มันเสียงรวมอะครับแล้วก็มันก็เริ่มมีเสียง ร, รับไม่คิดเรื่องอะไรครับอ่าอ่เรา้อเมอรัยเย็ดไปนะหยุดใจอือดูต่อไปก็ดูลมหายใจเราก็ได้ยังมีลมหายใจดูได้ตลอดเวลาดูลมก็ได้ดูพุทโธก็ได้นะ จะนั่งได้ได้นาน น, นั่งได้สบายนั่งได้สะวกถ้ามีพุโทโธ okay. มีอะไรไหมก็มีนะคะมีของโน้นนิดนึงค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่รายงานพระอาจารย์ว่ามันหยุดอยู่ครึ่งคึ่งกลางๆคะ่ะทางโรค ก, ก็ไม่เอาทางทำก็ไม่อยากทําค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าไม่มีสติให้พุโทโธตั้งแต่เช้าตื่นมาอย่างเนี้ยค่ะก็ทําตามค่ะแล้วก็เห็นผลนะคะพระอาจารย์ว่าพอเราพุโทโธ ตั้งแต่ตื่นแล้วก็ถ้ามันลืมไปก็กลับมาพุทโธเลยเนี้ยค่ะแล้วพอมาได้สมาธิอะ่ะมันสงบได้เร็วมันจับพุทโธได้เร็วขึ้นเนา ะ, ะ, ะปฏิบัติให้มากแล้วมันมันจะแนวโน้มมันจะไปทางธรรมมากขึ้ น, นเรื่อยๆมันได้ความสุขจากธรรมมากขึ้นบางทีกิเลสมันก็ยังมันดึงน้ายไปทางก็อยอเราก็ต้อง พิจารณาตายรักทั้งโลกมีแต่ตายรักบางทีนี้นักขุนแม่นักขุนเป็นตัวอย่างไม่ดีนะเราก็อาจจะไม่แน่่า จ, จะมีอะไรคล้ายๆกันก็ได้อันนี้จังไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเขาอาจจะเป็นอะไรตายไปก็ได้ไม่ได้แช่งเราทํางนแล้วเกิดเขาเป็นอะไรไปเราเตรียมสํานองนะรับกระเตุการณแล้วอย่างเราพิจารณาความตายอยู่ทุกวันใช่ไหม อ่าใช่ให้โอทุกอย่างมาเป็นชื่อหมูหมดอ่าพยายามเตรียมรับกับเหตุการณ์ถ้าเตรียมรับแล้วมันรับมันรําได้ไม่ไม่ใช่เไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่มีก็ไม่มีสิเราก็อยู่ของเราไปครับไอเรามีสติมีปัญญาทุ่อย่างมันอยู่กับอะไรก็ได้อยู่กับไม่มีอะไรก็อยู่ได้นะพยายามเถือนอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นที่พึ่ง เอาธารรมะเป็นที่เพื่องดีสุดเอาสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้เป็นที่พึ่งที่วิเศษที่สุดแล้วก็วิริยะด้วยความขยันถ้าไม่มีความขยันสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดวิริยะในตัวสําคัญความเพียรอย่ากขี้เกียจแล้วเราง่ายเราจะมีที่พึ่งอาจจะเป็นอาจจะไม่ต้องเพึ่งใคร เพื่อนเขาก็จะทำเขาให้เพื่อนเราเพิ่งไปได้ถึงเวลาไม่มีให้พี่พื่อเราก็เพิ่งตัวเราเองได้โอเคนะเข้าใจแล้วเข้าใจครัโอเคเป็นไปที่คุณหมอพิเชษครับขอบคุณพอาจารย์ครับหมอชาติรารราครับหมอพิเชษเจอการนมัสการพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายความสุขปลอมและความสุขแท้ครับ ก็ความสุขแท้ก็คือความสุขที่มันยั่งยืนความสุขปลอมก็คือมันชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันก็เลยเช่นความสุขทางโลกทางเล่ยย า, ายศสรรเสริญทางรูปสิง่งเกลดว่ยมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนควันไฟเราไปเที่ยวมาแล้วก็็นความสุขเอากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไป อยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าไม่ถ้าเกิดไปไม่ได้เงินไม่พอหรือว่าร่างกายไม่สบายทีนี้ก็ต้องอยู่กับความทุกข์คนเดียวความสุขแท้งโลกเป็นอยเป็นอ น, นิจจังทุกขังต่างแต่ความสุขแท้นี่คือความสุขทางใจความสุขทางใจที่เกิดจากการทําความดีต่างๆสิบประการบุญสิบประการ คือวิธีสร้างความสุขทางใจเช่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วยกุศลอนุโมทนาบุญเวลาใครก็ทำบุญด้วยก็ร่วมบุญกับเข้าไปทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมทำตนรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้จะทำให้ใจเรามีความอิ่มใจสุขใจ มันมันจะติดค้างอยู่ในใจเรานานกว่านอกจากนั้นก็ยังมีบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอยากจะได้บุญสูงกว่า น, นี้เราก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมหรือศีลศีลห้าศีลแปดแล้วก็ไปฝึกสมาธิฝปัญญาเรียกว่าภาวนาเราก็จะได้บุญได้ความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆรวถึง บุญเต็มร้อยบุญที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันก็คือพระ น, นิพพานที่เป็นมาลมังสุขัาบุญเหล่านี้ถึงแม้เวลาที่ร่างกายเราตายไปไมันก็ติดไปกับเราบุญที่เกิดจากการทําบุญทำทานมันก็ยังอยู่ในใจเรามันก็จะส่งให้เราไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญได้จากการภาวนานั่งสมาธิก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมโลกถ้าบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาวิปัสสนา น้สังโยนได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลถึงขั้นสูงสุดก็คือพระ น, นิพพานเมื่อถึงขั้นสูงสุดก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาทําอะไรต่อไปแล้วเพวาใจเราเต็มเปี่ยมด้วยความสุขไม่มีความหิวความอยาอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือความสุขแท้ความสุขทางใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนวุญญากิริยาสิประการด้วยกัน ลองไปดูนะบุญเหล่านี้มันจะอยู่กับใจเราไปร่างตายตายไปเราก็จะมีบุญเหล่นี้ไปกับเราไปกับใจแต่ความสุขทางโลกทางราภโยชนเสริญนื่นไม่ไปกับเรานอนยาที่ร่างกายตายไปลาภจบเอาอะไรไปไม่ได้เลยเงินทองมีกี่ร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้มียศมีตำแหน่งอะไรก็เอาไปไม่ได้ มีเหรียญทองมีรางวี่รางวัลอะไต่างๆเข้าไปไมได้รูปเสียงเกิดรสต่างๆเข้าไปไมได้ไม่มีอะไรไปได้ถ้าไม่ได้มีบุญความสุขจากการทําบุญก็ไปแบบยิ้โหยไปแบบขอทานไปต้องไปรอรับส่วนบุญของผู้อื่นก็พยายามทําบุญแบบนี้ให้มากอย่าไปหามความสุขจากราบยศสารเสกจากรูปเสียงเกิดรสไป มันเป็นความสุขแบบควานไฟได้มาแล้วก็หมดไปก็ต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆต้องไปเที่ยวอยู่เรยต้องไปดูไปกินไปดื่มไปอะไรอยู่เรื่อยๆได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอทักทีได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอความสุขนี้มันทำสร้างความหิวโหยความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้แนหะคือความสุขความความสุขความที่มันเป็นความทุกข์ในในรูปแบบของความสุขมันหล่อให้เรามีความสุขแต่เราก็ต้องไปทุกกับการที่จะต้องแสวงหามันอยู่เรื่อยๆละเวลาแสวงไม่ได้ก็ทุกใจเสียใจเศร้าใจหรือเวลาได้มาเราสูญเสียไปก็เสียใจอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่ครอบครัวหนึ่งเราแยกทางกันนมันก็หลออให้เราไปาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสจากคนนั้นคนนี้ ยังอยู่ไปอยู่มามันไม่เที่ยงมันดีคนดีเขาก็ไม่ดีกับเราใช่แล้วแทนที่ยันดีก็กับร้ายกับเราก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันก็ทุกข์นี่แหละคือความสุขกาอแต่ความสุขที่เกิดจากการทาบุญยังอยู่ในใจอยู่มันหล่อ น, นี้จิตใจให้ใจเรา ลดความหิวโหย ล, ลดความอยากที่จะหาความสุขทางทางโลกได้คนที่ทําบุญบ่อยๆแนละ้วมักจะไม่ค่อยไปสนใจกับการหาความสุขทางโลกไม่คิดจะไปเที่ยวไหนไม่คิดจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้ออะไรต่างๆไม่คิดที่จะไปหาความสุขจากเรื่องบันเทงต่างๆซู้อมาความสุขจากการทําบุญชนิดต่างๆที่พระเจ้าสอนให้ทำดีกว่า อันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงพยายามทำไปอาจจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูบุญยะกิริยาสิบวัตถุสิบประการน้นั่นแหละคือวิธีสร้างบุญสร้างความสุขใจสร้างความสุขแท้ขออนุญาตเข้าใจนะคุณหมอครับครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับด้วยจ้าไปที่คุณทิติมา อยากนอนไหมครับนอนทำอการวัดการพระอาจารย์วันนี้เข้ามากลับฟังธรรมกับพระอาจารย์ค่ะยังถือศีลแปลแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มีเพื่อนตอมอที่พัทยาบ้างไหมท่ <c oughs> าก็มาใส่บาตรกับข้ออหนูไม่ไม่รู้จักคับพระอาจารย์ใช่ตอมอพัทยาเขาก็มาใส่บาตรอ๋อค่ะ <c oughs> อันอนี้ว่าอาบน้ำไหค่ะพระอาจารย์ อ่ะค่ะไปที่คุณฝนจ้าคุณฝนก็ทำหมนัสวการค่ะพระอาจารย์อ่พอดีช่วงนี้ต้อง work from home ค่ะเพราะว่าปวดหลังมากหมอนรองกระดูกเสื่อมไปสามข้อค่ะแล้วก็แบบคุณหมอให้ bed rest นะคะต้องนอนตลอดเวลาแต่ว่า ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็วันนี้เลยใช้ความปวดอะคะ่ะมาพิจารณาค่ะด้วยการนั่งสมาธิฟังธรรมตอนบ่ายแล้วก็เอาเสียงเอาใจไปจับอยู่กับเสียงธรรมอะคะ่ะแล้วก็นั่งอยู่ได้ประมาณส0สิบนาทีโดยที่แบบไม่ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเรื่องความปวดเลยค่ะก็พยายามพิจารณาว่าความปวดมันเป็นคนละส่วนคือใจเราไม่ถูกอะคะ่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีค่ะมันเหมือนดินฟ้าอากาศ จบ ก, ก็ปล่อยมันต่อไปน่ากายปวดก็ปล่อยมันปวดไปมันไม่ใช่เราเราเปใจพูลล้รับรู้เท่านั้นเองค่ะก็ใช้วิธีนี้อ่ะค่ะแล้วก็แบบเหมือนกายกับใจมันคนละส่วนกันนะคะก็กายสติใช้พท้พูดโท้รูใ้ใช้การฟังธรรมเลยก็ยากนะใช่ค่ะใช้การฟังธรรมเลยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกคือแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนที่พระอาจารย์บอกมันเป็นอ น, นัตตาเนอะเ เราเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วก็เราอยู่กับมันได้แต่เราอยู่กับมันได้ะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกร้อนอะไรค่ะดไปไล่มันยิ่งไล่มันยิ่งยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งไล่มันก็ไม่ไปอยู่ดีมันทั้งทำให้เรายิ่งทุกข์ใหญ่ค่ะก็ตอนแรกคุยกับคุณหมอเรื่องจะผ่าหลังแต่ว่าคุณหมอไม่แนะนำด้วยแล้วหนูก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรอ่ะค่ะมันเป็นมันปวดเดี๋ยวมันก็มันก็หายค่ะมันหายแต่เดี๋ยวมันก็บาดเจ็บกลับมาเป็นอีก แล้วเดี๋ยวมันก็หายก็ก็ช่างวันนะคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไร่ะคะไม่ได้ถูกอะไรว่ากดี๋ยถ้ารักษาได้ก็รักษาไม่ได้ห้ามแต่ถ้ารักษาไม่ไม่ได้รักษาแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็อย่าไปรักษาไม่ดีกว่าค่ ะ, ะ, ะคุณรักษาไม่ได้ะคะ่ะพระอาจารย์เพราะมันเป็นที่หมอนรองเสื่อมนะคะ่ะก็คุณหมอเขาไม่แนะนําให้ผ่าตัดหนูก็โอเคค่ะก็ดูแลด้วยการป้องกันแบบ ออกกําลังกายดูแลร่างกายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดตลอดทุกทุกอิเลียบุเหรือเปล่าเนื่องจากเฉพาะช่วงช่วงช่วงไหนก็มันพอมันบาดเจ็บขึ้นมามันจะปวดแบบขยับอะไรไม่ค่อยได้เลยค่ะเอี้ยวตัวลุกนั่งแบบไม่ได้เลยค่ะจะปวดมากอะค่ะจะนอนก็ปวดตลอดเวลา ใช่ค่ะเวลานอนมันก็ปวดเวลาขยับอะค่ะแต่ตอนเนี้เหมือนแบบความปวดมันน้อยลงแล้วค่ะก็เลยลุกขึ้นมานั่งได้อะค่ะก็หนูก็เลยจัดการนั่งสมาธิซะเลยเอาความปวดมาพิจารณาค่ะเพราะว่าเหมือนแบบทุกทีอะค่ะหรังแรหนูนั่งสมาธิแล้วบางทีอะยังไม่ทันเจอเวทนาค่ะหนูก็รู้สึกแบบอยากจะออกเมื่อไหร่หนูก็ออกเลยอะค่ะครั้งนี้ยหนูก็เลยว่าวันนี้ต้องมีการบ้านส่งพระจาระละก็เลยลุกขึ้นมานั่งแล้วแบบว่า เออตั้งตั้งตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองว่าแบบมันเจ็บก็จะนั่งอะ่ะไม่ว่าจะยังไงก็จะนั่งไปจนกว่าแบบจะไม่ไหวจริงๆอ่ะค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทนไม่ไหวนะคะก็นั่งไปได้เรื่อยๆอ่ะค่ะพระอาจารย์อย่างที่บอกอ่ะค่ะอ่าดีพยายามใช้ธรรมโอสถดีกว่าค่ะนิวเศษที่สค่ะ<ร>ต้องเจอเวทนาอยู่เรื่อยๆค่ตอนนี้เป็นที่หลังเนี่ยอานจะเป็นที่ตับเนี่ยเป็นที่ไตเนี้ยเป็น่ มันต้องเจอมันอย ง, องค่ะเดี๋ยวเป็นที่ฟันเดี๋ยวก็ต้องไปถอนฟันต้องเรื่อยร่างกายทอวัยวะทุกส่วนมันจะต้องมีการทารูดทุดสอบคือหนูใช้เหมือนฝึกเอาไว้ด้วยอะค่ะพระอาจารย์จะได้ฝึกฝึกรับความเจ็บปวดในอนาคตที่จะเข้ามาทางร่างกายอ่ะค่ะก็ะะเป็นข้อหนึ่งของสติปัฏฐานสี่ะกายเวทนาเนี่ยความปวดก็คือเวทนา อ่าไม่ต้องยอมรับมันอยู่ อ, อ, ยอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกแล้วฝึกฝึกเอาไว้ค่ะฝึกเตรียมตัวไว้พิจารณาตอนเขื่อววาระใกล้จะตายมันคงทรมา น, นกว่านี้อะค่ะจะไม่ใกล้จะตายมันอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ก่อนปวดปวด เ, เจ็บตรง น, นี้อ่าไรฝึกเอาไว้ค่ะก็นี่นี่ห น, น, น, น่อยหน่อยก็ก็ขอเอาอาลองพยายามไปเรื่อยๆหลักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ, อย่าประมาทนะรีบรีบบรีบรีบรีบรีบรี บ, บรีบรีบรีรับรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีารีบรีบรีบปลปีบออรีบรีบรีบเีบีบรีบรีบีบรีรีบรีบรีรีบรีบรีบรรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบรีบี้นนรีบีบาารรีบรีบีบรรีบรีบรีบรีีบรีบรีบรีบรีบรรีบรีารีบรีบรีบรีบรีบรีบีบรีีบรีบรีบราบรีบรีบรร ไปเราจะไม่กลัวความป่วยแล้วเราจะอยู่กับมันได้ค่ะเนี่ยไม่กลัวความเจ็บเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไม่ได้ห้ามไม่รักษาค่ะถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่กับมันไปค่ะคือตอนนี้คงรักษาไม่ได้แล้วอะค่ะก็เลยหัดอยู่กับมันอยู่อ่ะค่ะทีุ่กกับมันที่ทุกอยู่ได้มันหายภาวะปัญหาวิภวะนัทธาความอยากอื หนูจำคำที่พระอาจารย์บอกได้เลยว่าทุกเพราะความอยากอะค่ะเขาอยากให้มันหายอะค่ะหนูก็เลยก็ไม่ได้อยากให้มันไหนก็เฉยเฉยแค่แบบเออก็อยู่กับมันไปเลยแบบเนี้ค่ะก็ไม่ทุกข์มันก็ใจก็สบายค่ะก็สบายดีอ่ะค่ะพระอาจารย์รู้สึกโอเคอะค่ะโอเคดีมากค่ะไปะค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะไปที่คุณอ่อนน้อเชิญคุณอ่อนน้อมเง็นไง มาเสร์ฟกางอาจารย์คุณแม่ไปดูละครแล้วอาจายังไปแล้วนะใช่แล้วมื่อเมื่อคืนเมื่อวาลูกจะบททดสอบใหญ่เมื่อกี้คุณฝนปวดหลังเมื่อว่าลูกปวดฟันมากนี่อยู่สิงคโปร์ค่ะพระอาจารย์บริมาทุระสิงคโปร์แล้วก็ปวดฟันแบบนอนไม่ได้แล้วก็ หนึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหมอก็คงไม่มีแล้วก็มีเสียงท่านเข้ามาเสียงพระเจย์เข้ามาว่านี่แหละลองอยู่กับมันดูเวลาบางโรคเนี่ยเราอาจจะไม่มียารักษามันก็ได้คือเมื่อวา <c oughs> นเราไม่มียาที่จะเยียวยาหรือกานแบบว่ากินยาแก้ปวดเข้าไปก็ไม่ได้ช่วย <c oughs> คือเราไม่ได้ทุบว่าอยากให้มันหายแล้วก็พยายามจะอยู่กับความปวดนั่นแหละว่ามันปวดมากจริงๆปวดฟันนี่คือที่สุดของอาการปดวดวันนี้ทั้งคืนก็อะ มันมันนอนไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราไม่ได้จริงๆคือมันไม่ทุกข์มันไม่ได้บอกว่าเอออยากให้มันหายพี่นะว่าอาการปวดมันก็ชาดังมันมาพิจารณาในที่สุดเลยนั่งฟังธรรมนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ก็ก็เลยรู้ว่าพอเราจิตเรามันไปจับอยู่กับสี่งธรรมจันไรความปวดอะมันคือมันมันไม่รู้สึกเลยมันมันมืนจิตเราถูกย้ายไปโฟกัสอยู่กับสี่งธรรม ตลอดเวลาก็เลยทำให้รู้สึกว่าสงบขึ้นคือขึ้นมันนการปรวดมันมันมันไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนเหมือนตอนที่เราพยายามจะอยู่กับมันแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยพระอาารย์ก็เลก็เลยคิดว่าก็น่แะหะพอเราจิตเราเราสามารถจะแบบย้ายจากการไปมองมันอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่กับเสียงธรรมะธรรมะทำให้เราใจใจเรามันนิ่งพอมันนิ่งเรารู้สึกเบากับขาบอาการปวด แต่เวลาไปดูความปวนมันกับมันไม่นิ่งเพราะมันยังลึกๆมันยังอยากจะให้มันหาอยูบอกใช่ใช่คงนะมันก็เลยไม่นิ่งสักทีนี่พอผ่านไปสักคือนั่งนั่งฟังธรรมจบชั่วโมงหนึ่งสบายขึ้นแบบสงบขึ้นเยอะเลยนะะเราก็เลยนั่งสมาธิต่ออีกชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนมันมันมันคงเป็นความนิ่งที่ต่อเนื่องมันก็อาการที่เรารู้สึกเจ็บมันมาตลอด ช่วงหัวค่ำอ่ะมันก็บันเทาไปเลยตื่นเช้ามาวันเนี้ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเลยนะคะาคอาจารย์ก็เหมือนอาการที่เราปวดมากเมื่อวานจนคิดว่าเฮ้ยเราจะอยู่ครบจนถึงวันคลื่นหักใต้ไหมหรือต้องกลับเมืองไทยก่อนก็เลยวันนี้วันนี้มั น, นมันก็เลยอยู่ได้โดยไม่ไม่ทุกข์ทรมานเหมือนเมื่อวานมากแนตะ่ส่วนนี้สาคัญกว่า สำคัญค่ะแต่เสียงท่านเสียงพระเจ้ารอยเข้ามาเลยว่าเนี่ยเราต้องลองนะเพราะมันอาจจะมีโรคที่เราไม่มียารักษาได้นะแล้วมันก็จะต้องเจ็บอย่างนี้แหละมันเหมือนกับว่ามันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อืาเฮ้ยปวดฟันมันยังจริงจรมันก็เอาไปหาหมอมันก็อาจจะหายแต่มันอาจจะมีโรคอย่างที่ท่านว่าว่ายาอะไรมันก็ไม่สามารถจะรักษามันหายได้แต่เรียกว่ายามันก็ช่วงที่รักษามันก็ยังป่วยอยู่นั่นกว่าจะหายใช่ค่ะ ก็เลยได้ไม่ใ ช, ใชกินยาปุ๊บจะหายปั๊บเลยบางมันก็ต้องใช้เวลาใช่แบบว่าเมื่ถึงท่านเข้ามาก็เลยใช่เราจะต้องพิจรารณาอย่างนั้นแหละมันก็เลยเหมือนกับว่าธรรมะโอสถจริงๆค่ะเพราะว่าเลยตัดสินใจเอาละฟังเทศฟังธรรมทาสมาธิให้นิ่งๆน่าจ ะ, น, าจะน่าจะได้ธรรมะโอสถเข้ามาช่วยทําให้ใจสงบลงก็ก็ได้ผลจริงๆค่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าเจอบททดสอบแบบ โอมาอยู่ต่างแดนมันไม่เจอหมออย่างที่คุณเคยถ้าอยู่มกรงุรงเทพมันก็ขับรถไปหาหมอแล้วใช่ไหมท่านก็หายละอืมอันนี้ก็เป็นบททดสอบที่ดีค่ะพยายามฝึกไปเรื่อยนั่งสมาธิเวลาเจ็บอย่าอย่าขยับอย่าลุกค่ะสมมติว่าเราไม่สบายแล้วตอนนี้ให้น่ากายมันเจ็บกายได้ปวดเราจะต้องหัดอยู่กับมันไปใช่ครับตอนนี้ก็จริงๆช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมานั่งได้มากขึ้นแล้วก็ก็รู้สึกดีมากเพราะว่าเรานั่งเช้านั่งเย็นพอเรานั่งเช้านั่งเย็นเวลาที่เวลาจะนั่งได้ก็ดานขึ้นความเจ็บที่เคยนั่งจากการนั่งมัน ก, มนก็มันก็สามารถจะแบบทนได้นานขึ้นเพราะว่ารับมือกับมันได้ดีขึ้นดีกว่าใช่เนี่ยะก็พยายามจะปฏิบัติให้มากขึ้นเรื่อยๆนั้นเพราะว่าหลังๆดูลมหายใจได้เร็วขึ้นไม่ต้องใช้พุทโธ ไปมันจะน่าชำนาญเวลาเรามีน้อยลงไปทั้งวั น, นต้องทำประมาณมีเวลามากเท่าไหร่ไปปฏิบัติไปใช่อย่างวันนั้นไปฟังธรรมที่หน้ากุฏิท่านก็รู้สึกว่านั่งอยู่นะักครูบาอาจารย์นี่ยิ่งต้องแบบเหมือนเป็นกุศโลบายนิดนึงต้องเหมือนเป็นเด็กดีห้ามขยับนั่งให้นิ่งตั้งใจง<笑><笑>ก็ก็ดีคะได้อีกได้อีกบรรยากาศหนึ่ง บางคนเขาชอบมานั่งฟังที่หน้าคุติเขาบอกฟังที่หน้าคติไม่เหมือนกับฟังที่บ้านบรรยากาศได้เหมือนกันใช่ทีนั่งอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์ด้วยอะค่ะต้องเหมือนเป็นนักเรียนที่ดีแต่เราไม่ได้มองกันะเรานั่งหลับตาเราเอมามองเดี๋ยวเสียสมาธิเหลือวเท่ไม่รู้เรื่องค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็มีรางงยา ง, งานทางนี้ก็ตั้งใจปฏิบัติบูชากับอาจารย์เพราว่ายิ่งพอเราปฏิบัติได้ มากขึ้นก็เห็นเห็นมันจะเริ่มเห็นพัฒนาการแล้วยิ่งบแบบว่าเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นเรารู้สึกใจรักได้มากขึ้นเลยได้ค่ะหัวรักได้มากขึ้นวันได้ค่ะอาจารย์วันนี้ก็มีรายงานเท่านี้ค่ะโอเคลาตัวอาจารยคุณศ า, า, า, า, าสตราชาญนาอ่ะมาฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะชื่อไม่ถอยนะชื่อไม่หยุดนะค่ะค่ะ ครับที่คุณน่งตอคุณน่งกลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมก็ไปเชียงใหม่มาเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการทำทานเจ้าค่ะการปฏิบัติก็เล็กๆ็กน้อยน้อยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังได้นั่งสมาธิทุกวันเจ้าค่ะไปครั้งนี้โยมได้เหมือนแต้มบุญถึงนะคะพระอาจารย์ ไปวัดบ่าดาราพิลมแล้วก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะเจอหลวงปู่บวกเกตเพราะว่ายมเคยไปแล้วแต่รู้ว่าท่านก็คือไม่เป็นเวลาแล้วแต่ค่ะแต่ว่าจะมีจะมีคนเข็นท่านออกมาประมาณสี่ห้าโมงมีคนบอกว่าถ้าอยากไปกราบท่านอ่ะให้ให้ไปดักรอแต่ว่าเราก็ไม่ว่างขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันก็มีธุระอื่นใช่ไหมคะแล้วครั้งเนี้ยมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคาดว่าเออจะเข้าไปกราบพระประธานแล้วก็ มีธรรมทานของหลวงปู่ติดอยู่เต็มวัดป่าดาราพิรมเลยโยมก็โอ้เป็นคำสอนดีๆทั้งนั้นเลยโยมก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วอยู่อ่ะก็มีคนเข็นแบบหลวงปู่ออกมาโอดีใจมากก็เลยได้ไปกราบหลวงปู่แบบอย่างที่ตั้งใจเจ้าค่ะพระอาจารย์อมืมีอะไรไหมให้ เ, เสียงคุณหนงว่าพุทธะ ค่ะ uh huh. เ, เสียงหายไปก็ดี ใ, ใจค่ะ ก, ก็เลยวันนี้คนเสียงคหนหนึ่งขาดการ ห, หายหายครับครับอาจารย์น่าจะเป็นสัญญาณของเรายังได้ยินอยู่ใช่ไ้ยครับได้ยินไ ป, ไปที่ที่นโมต่อก่อนองคนหนึ่งขอผ่านก่อนนะ มาสดกดากนครับพระอาจารย์มีภาคุญการมากราพระอาจารย์ครับยัยสบายดีนะค่ะขอคุณค่ ะ, ะนะยังไงนะยังคิดถึงท่านค่ะดีเป็นยังไงมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรครับพร <c oughs> ะอาจารย์ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมแล้วก็แล้วก็มากราพระอาจารย์แล้วก็มาเข้าเรียนตามปกติ <c oughs> ยังนั่งสมายที่อยู่หรอ มันต้องนั่งครับต้องนั่งคืนนะครับก็ยังต้องปฏิบัติครับผมแต่ส่วนตัวจะปฏิบัตินอกรูปแบบมากกว่าในรูปแบบครับอาจารย์เป็นไงนอกรูปแบบก็ปฏิบัติตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็ก็พยายามอยู่กับลมหายใจหรือบางทีก็อยู่กับสติอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์แต่ไม่ได้จะแบบต้องมานั่งติดตาอะไรอย่างเงี้ตลอดครับผมแต่จริงๆเราก็ต้องฝึกในรูปแบบ นี่งั้นฝึกนอกรูปแบบมันทําไม่ได้ครับพเจ้าเนนี่ก็เป็นรูปแบบมีสติอยู่กับทุกอยา่างทุกเวลามันก็เป็นในรูปแบบะนะครับครับเรามีสติตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาควบคุมจิตอย่ายให้คิดไปคิดเลิกได้ เ, เลยให้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายและอยู่กับคำเป็นคำพุโทโธพุโทโธไปครับพเจ้าได้ครับ ก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับป้าจันถ้าทํานอกรูปแบบนี่มันจะเป็นแบบของกิเลสซะมากกว่า <c oughs> นอกรูปแบบกิเลสมันตล า, าดมัม้งแมใช่บอกนอกรูปแบ บ, ก, ก, แ บ, บกิเลสเท่านั้นน่าจะเป็นกิเลสมากกว่าครับป้าจารย์ไม่น่าใช่ในรูปแบบแลวลอกครับอย่างนี้นนนเขาไม่ีรูปแบบไว้ทําไมทาไมทําตามรูปแบบมันกน็มันก็แบบของกิเลสทนะ่า นะสติประฐานสี่ท่านก็บอกห้มีสติอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพูดทางนสติกับพูดโทรไปนะรูปในรูปบบต้องเป็นไหนเรารูปแบบก็สเปสปะแบบไปนู่นมานี่ไปเรื่อยเปื่อยไปทุกเรื่องอันนี้ี่เกิเลสละไม่ใช่สตินะครับอาจาย ได้ครับก็ทําในรูปแบบครับผมทําในรูปแบบต่อไปใช่เนอะทําในรูปแบบดีกว่าปลอดภัยกว่<ท>า <ำ S 1> นะได้ ผ, <ม>ผดีด้วยก็เวลาเราไปฝึกกีฬาเขาก็สอนรูปแบบเนี่ยตีเทนนิสก็ต้องตียังไงตีกอล์ฟก็ต้องตียังไงะไมีวิธีตีของเขาไม่ใช่เราก็ไปตีนอกรูปแบบมันก็มันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลดีเท่ากับทําตามรูปแบบแต่เวลาฝึกตามรูปแบบมันใหม่ๆมันู้ศึกยากเพราะเราไม่เคย ชอบทำอะไรแบบตามนิสัยเราชอบทำแล้วก็มันก็เลยนั่วรูปแบบไปชอบทําตามนิสัยเราใช่ไหมชอบทำตามสบายครับอาจารย์ก็ต้องกลับมาก็่งวดครับอ่าโมก็เคยเล่นอะไรบ้างมาบอกตีลาหรืออะไรก็เคยครับมันมีวิธีเล่นมาบอกมีใช่ไหมมันแค่ปล่อยให้เราเล่นตามตามรูปแบบของเราใช่ไหมครับก็ ใช่ครับผมอาจารย์เราก็ต้องไปตามรูปแบบของกีฬาไม่งั้นเดี๋ยวมันผิดกฎกฎแล้วมันก็ไม่ได้ผลดีด้วยครับอาจารย์แล้วก็ได้หนังสือกายคตาสติมาจากหน้ากุฏิครับผมอาจารย์แล้วก็กําลังมานั่งไล่ทบทวนอีกรอบนึงอ่านไปเรื่อยๆอ่านทบทวนไปอ่านคระบอาจารย์พยายามดูบ่อยๆดูทั้งวันก็ได้ยิ่งดี เป็นกว่าจะทำลายการมาลาค้าให้หมดไป อ, อาจบไป <c oughs> ให้ละได้ในเร็ววันคุณ <laughs> ยายก็ใจว่างใจเย็นใจสงบนะนี่ อ, อยายไม่ได้ทำอะไรคะ่ะอยู่บ้านอย่างเดียวอย่าดูละครอย่าดูอะไรมากน ะ, ะ <c oughs> ก็ดูบ้างนิดหนยยายก็ยังรักเล็กถึงท่านอยู่ตลอดนะคะ่ะ <c oughs> ที่ทำบ้ารดีกว่านะทำทำี่ทำบ้านดีกว่า Uh huh. ดูของของอาจารย์ดูวยก่อนนะเามีสาระคดีทางธรรมะ ก, ก็ดูนะพระพุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยเ uh huh. ดีไปแล้วเราจะได้เกิดศรัทธาเรื่องสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ uh huh. uh huh. กัน uh huh. ดูละครเนี่ ก็คอยมีก็แย่งแย่งผูวแย่งมีกันแย่งซักอ่าะเป็นแนวเปิดของคุณยายอะไรอย่างเ่แยงหัวอย่างเมียยายก็ยายชอบดูแบบนี้เลยครับเพราไปอย่างนั้นนะค่ะจบแล้วก็ยายชอบน้ำเล่าเลยยายไม่ได้สนใจหรอกค่ะยายก็จําเฉยๆก็จบก็จบไปเลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มานั่นอะไร ดูคุณยายบอกดูเพื่อความเฟิดเินระยะสั้นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ไม่ได้สนใจนะคะจบแล้วก็จบเลยไม่ได้อะไรเลยแต่มันติดแบบนี้มันจบแล้วมีเรื่องใหม่มาก็ดูต่อใอชอ่ไหมก็พยายามค่ะถ้ามันจบแล้วเราก็ต้องจบตามมันไม่ดูต่อไปนี่มาดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับอาจารย์ เน่ยมันจะก็ติดกขาเรียกว่าติดไหมถ้าดูก็เรียกว่าติด ด, ต ด, ด, ด, ดูพอห้องบ่าห้องคอก็พอละขั้นสองขั้นดูพอรู้เรื่องมันเป็นยังไงพอลนะ <c oughs> เหมือนกันกีเรื่องกีฬามันก็แบบเดียวบบกันครับอาจารยคงคงจะเป็นอท้าทายมากเลยนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราดูดูดูอยู่แล้วเราก็ อยู่ๆก็ปิดเลยแล้วบอกว่าในท้าทายกีเลสซีหยุดเท่านี้เลยกำลังมันหยุดเลยกลวมันจะไม่มีสติหยุดนลย <c oughs> มันไม่จบมันก็ไม่หยุดน ะ, <c oughs> ะเราพยายามทำดูดูก <c oughs> ารมาฉันทะเ้าเรียกการมาฉันทะเป็นนิวรณ์ทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ไม่มีเวลามานั่งสมาธิคอย <c oughs> ดูคอย ขอแ่งนะขอพระอาจารย์ท่าตุขนแข็งแรงครับอขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตาค่ะสาธุค่ะไปที่คุณตะวันตอนนี้ตะวันไม่มาเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้โยมฉายเดี่ยวค่ะพระอาจารย์เจ้าตะวันไม่อยู่บ้านค่ะอะมีอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์คือสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์ให้คาถาโยมมานะคะว่าสัพเพธรรมาอนัตตา ทีนี้โยมไปศึกษาดูนะคะเ อ, อโยมพอเข้าใจว่าอันนี้คือเป็นที่เข้าใจจากสัญญาของโยมนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าเ อ, อธรรมะ ท, ที่พระอาจารย์ให้เนี่ยถ้าสอนจิตให้รู้จริงรู้แจ้งตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใจจะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เลยใช่ไหมคะธรรมะ ท, ที่พระอาจารย์ให้นะก็ให้รู้ว่าร่างกายเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเวทนาเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตน อารมณ์ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแปรปวนไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาเราไปยึดไปถือไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้แต่เรายังยังเรายังไปยึดอยู่ใช่ไหมร่างกายเราก็ยังยึดอยู่เวทนาเราก็ยังยึดอยู่อารมณ์ก็อยากจะให้มันอารมณ์ดีอย่างเดียวพอไม่ดีมันก็เลยทุกข์ทำให้เราใจเราทุกข์ขึ้นมาเราต้องยอมแล้วว่ามันมีทั้งดีไม่ดีไม่ว่าจะร่างกาย เวทนาหรืออารมณ์มันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมางางกายเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเวทนาเดี๋ยวก็สุขบ้างไม่สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรไ ป, ไปอันนี้ปล่อยวางได้หรืป่าหรือภายนอกนถ้าคนถรามีลูกเราก็เหมือนกันเราก็เป็นอนัตตามันดีขึ้นดีเขาอาจจะ ไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้ถ้าเราคิดเพียงแค่เพียงแต่คิดว่าเขาไม่อยู่กับเราก็ทุกในแสดงว่าเรายัางยึดอยู่เรายังไม่ยอมให้าจากเขาจากอราไปจะให้ไปบวชไปนะคะพระอาจารย์ถ้าเขาจะไปบวชนี้ให้ไปนะคะใช่แล้วแต่ถ้าคุณไม่ยึดติดเขาจะไปไหนก็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่ใช่อ๋อเป็นเขาเป็นดินฟ้าอากาศเราไปห้ามดินฟ้าอากาศได้ปะ มันจะตกแบดจะออกนี่เราไปห้ามเขาได้ค่อนเขาจะไปไหนก็ปล่อยเข้าไปเลยเขาจะไปมีการใหม่ก็ปล่อยเข้าไปเลยวันนี้ปล่อยให้เขาไปบวชได้แต่ไปให้มีแฟนใหม่ปล่อยไม่ได้ต้องมาขออนุญาตก่อนค่ะพระอาจารย์แต่นีเงื่อนไข่ซะอีกนะคะมันก็เป็นนัสตาเขาก็ไม่ต้องขออนุญาตเราไงขอใช่ไหมแสดงว่าเรายังเรายังยึดยังติดยังหวงอยู่ ค่ะ ย, ยังไม่เห็นว่าเขาเป็นทางหน้าตายังเห็นว่าเป็นเขาเป็นของเราอยู่จึงต้องมาขออนุญาตจากเราใช่ค่ะพระอาจารย์นั่นแหละแสดงว่าเรายังหลงอยู่ยังสิ่งนี่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราอ่โยมคิดว่าโยมยึดว่าเขาต้องขออนุญาตเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําในในฐานะเอสามีภรรยาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นยึดในคุณธรรมอะคะ่ะว่าต้องทําแบบนี้ถึงจะเหมาะสมค่ะพระอาจารย์ อ๋ออันนี้ก็ยึดเนี่ยยึดในคุณธรรมเองคุณธรรมใช่ ا, ค่ะ<ข>อรราจารยใ ا, ใ์ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าอยากจะหลุดล้วต้องหลุดแปลกระทำคุณธรรมแล้วก็ต้องปล่อยนะไม่ไปยึดกับคุณธรรม<ช>ไม่ไป<ช>อ้าเพราะไปยึดกับคุณธรรมก็ทําให้เราทุกข์เองอ่าถ้าเป็นคุณธรรมก็ต้อง <C US> S> <S อนุ ญ, ญาตแล้วเขาไม่ข อ, อนิยาตเราจะทําไหมเราก็ทุกข์ไปใช่ไหม ค่ะพระอาจารย์เร็วๆนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ทําให้โยมรู้สึกตัวขึ้นมานะคะก็มีเด็กสิทธขวบเพื่อนเจ้าตะวันอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์เขามาสอนธรรมะโยมค่ะแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าเขาว่เาเราต้องทำไงไม่ค่ะคือคื อ, ค, อคือเขามากดกิ่งเรียกเจ้าตะวันใช่ไหมคะโยมก็ไม่ทราบเพราะว่าเจ้าตะวันเนี่ยไปเล่นกับเด็กคนอื่นข้างนอกบ้านแต่ว่าเขานัด ก, กับเจ้าคนนี้ไว้แล้วเพื่อนเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะ ทีนี้โยมก็สอบถามเขาเขาบอกว่านะัดกับตะวันไว้อ้าวเจ้าตะวันไม่อยู่บ้านโยมตอนนั้นก็คือโยมก็โมโหตะวันละเจ้าตะวันแล้วว่าคิดตำหนิในใจไปแล้วว่าทําไมไม่รักษาสัญญาเพราะว่าเอนัดกับเพื่อนไว้อย่างเงี้ยเพื่อนจะต้องมาหาหนูที่บ้านเสียเวลาเขาอะไแบบนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็เลยถามเด็กคนนั้นนะว่าหนูกโกธตะวันไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็เคยผมก็เคยลืมเหมือนกันลืมบ่อยด้วยคํำนี้ค่ะพระอาจารย์เขาพูดแบบว่า เขาพูดออกมาจากใจเขาโดยใจที่เขาไม่มีมารยาณนะคะพระอาจารย์มันทาให้โยมรู้สึกตัวว่าแล้วทําไมฉันบ้าอยู่คนเดียวในเมื่อเจ้าตะวันนี่ก็คือไปเล่นสนุกสนานล่าเลงมากแต่ว่าแล้วก็เด็กก็คือเขาไม่ถือษาเต็มีโยมคนเดียวเท่านา น, นนะคะพระอาจารย์ที่ไปยึดกับตรงเนี้ยว่าตะวันจะต้องรักษาสัญญานะอย่างเนีน้ยค่ะพระอาจารย์มันทําให้โยมรู้สึกตัวค่ะพระอาจารย์อยังไปยึดกับสิ่งที่เรายึดไม่ได้ใช่ค่ะ เรารู้ผิดถูกดีเชื่อได้แต่เราไม่ยึดกับเราไม่ยึดติด ก, กับผิดถูกดีเชื่อถ้ามัน<ช>เก<ค>ิดเราห้ามมันไม่ได้คนจะทําผิดแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้<ช>แต่ทีนี้เรารู้ว่าผิดถูกดีเชื่อเป็นยังไงถ้าเป็นเราไม่ทําแต่คนอื่นเขาทำํำเราห้ามเขาไม่ได้มันก็ทําให้โยมนึกว่าเมื่อก่อนโอ้ยเมื่อก่อนโยมก็ลืมหนักยิ่งกว่านี้อีกนะคะเนี้ยทําไมเวลามาปฏิบัติทำแล้วทำไมถึงไปไปตําหนิคนอื่นเยอะจังอะค่ะพระอาจารย์ ทำไมทำไม้ถูกใจเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้แบบนี้คือเด็กคนนี้ทำให้โยมกลับมาย้อนดูตัวเองมากขึ้นเลยค่ะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะทำไมเรื่องแค่นี้ถึงจะต้องไปศึกษาเขาด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นนิสัยของเราเงใช่ค่ะพระอาจารย์เป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นกิเลสกิเลสมันชอบว่าคนอื่นไม่ช่มันไม่ชอบว่าตัวเองใช่ค่ะค่ะ แต่เหตุการณ์นี้ทําใหโ้โยมย้อมกลับมาดูตัวเองมากขึ้นค่ะว่าโยมไปยุติเกับคุณธรรมอะค่ะพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี้ยเ อ, ออะไรอย่างอย่างคุณธรรมที่โยมโยมจะยุติก็คือความปัจตันยูแล้วก็พวก ร, รักษาสจัจสัญญาแบบนี้ค่ะถ้าถ้าเขาไม่ทําอย่างเงี้ยโยมก็คือจะไปตําหนิวิาพากษ์วิจารเขานะคะใช่เหนความจริงไม่กลัวเพราะเป็นเรื่องของเขาใช่ค่ะเป็นแต่เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ดีแล้วก็เราวิเคราะห์ได้แต่เราไม่วิจารณ นะวิเคระห์ดีผิดถูกดีเชื่อไม่วิเคราะห์ได้ถ้าเราเราก็ไม่ทําแต่เขาจะทําแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาโยมก็มาคิดบ่อยๆ อ, อะคะ่ะว่าเออเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าเอาคุณธรรมเนี่ยเอามันตรงกับคําที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะสะเพธรมานาตาคือว่าเอาไว้ใช้ยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ให้ยึดถืออะคะ่ะพระอาจารย์อันนี้โยมเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ลำลำเราอาจจะยึดได้เพราะเราอย่างน่าอาศัยคุณธรรมเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจเราให้สูงขนะึ้นแต่เมื่อถึงขั้นหนึ่งแล้วแม้คุณธรรมล้วก็เราก็ปล่อยวางไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นสรรไปทำมาทั้งหมดค่ะยมรู้สึกเหมือนยมเป็นวัวลืมตีนะคะอาจารย์เมื่อก่อนเราก็ยิ่งแย่กว่าเขาแต่ทำไมพอมาปฏิบัติธรรมแล้วทําไมเราไปด้อยค่าคนอื่นแบบนี้คะ่ะ ก็อย่าไปโยงป็นการปฏิบัติธรรมเป็นคนไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกกิเลส ข, ของเรานดโทษกิเลสนี่กับอย่าไปท้วงเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนี่มันอาจจะทำให้เราเห็นกิเลสเราชัดขึ้นก็ได้ก็ได้เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ดูเป็นกิเลสยังได้ซ้ำไปตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมล้วเริ่มเห็นว่าแม้กระทั่งการไปเพราะเพ่งทวเขาเราก็ไมันก็เป็นกิเลสอย่าง คนบางคนไม่รู้นะว่าการเพ่งโทษก็เห็นี่เป็นกินเลส เ, เขาเลือดดีนะไปเพ่งโทษเขาเขาไม่ดีเนี่ยเราก็ว่าเขาไม่ดีเอยนี่เขาที่เขาไม่รู้มันอันนี้ก็เป็นกินเลสมันเป็นอัตราใช่ไหมคะผอาจาย <Beyonce> ์เห็นว่าว่าเราดีกว่าเขาเราเป็นผู้มีพฤติกรมอะไรเป็ น, <S <S> นความลงลึกแล้วมันเีความหลงอ๋อค่ะ <S <S หลงดีใช่ไหมคะมันก็ไม่แชงว่าดีหรอกมันถ้าดีมันก็ต้องไม่ทุกข์ก่อน อืมค่ะจริงจริงมันต้องไม่ทุกยมคิดว่าคุณธะทำเอ้ยยมคิดว่าคาถาของพระอาจารย์นี้จะจะเหมาะกับโยมากเลยค่ะอาจารย์อ่าพยายามลองใช้โดยท่าทางนี้ได้นะ<า>ถ้าใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะไม่ทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกเอย่างแสดงว่าเราเราเร า, เราหลงแะเราไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาค่ะอืมดี พยายามอยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงก็เด้ของเขาะค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารเรามาสัน่นโดยยินดีตามใหตามเกิด<ไ>กับทุกสิ่งทุกอย่างไปร้านอาหารไปร้ า, ารอาหจานอาหารมาชนิดหนึ่งแล้วก็เอาอีกชนิดหนึ่งมาให้เราเราก็ไม่ควรจะไปโกรธไปเสียใจ ยินดีตามมีตามเกิดบางทีคนคนคนรับสร่บ่อยมันอาจจะจำผิดไปสั่งอย่งางอย่างมาให้เราแล้ว<ะ>มันมต้องไปตีโพยตีพายแนละ้วกินมันไปจบถ้าเป็นอนัตตานะถ้าเรามองไปนอนัตตานะกินได้ก็กินไปก็แล้วกันค่ะ เรื่องความคาดหวังเนี้พระอาจารย์เรื่องอ่าถ้าเป็นคนอื่นมันจะน้อยกว่าเรื่อง ก, กับคนใกล้ตัวนะคะเท่ที่โยมอ <คน S 2> ่าน <ำ S 2> มีความมี <นำ S 2> ความหวังในคนใกล้ตัวเร<ช>าเอ <ๆ S 2> าอาหาคนดีให้เขาสุกเนี่ยมันก็เลยคาดหวัง<ช>มากแล้วคนอื่นแล้วไม่คาดหวังในคนที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดรอแล้วก็อย่างเช่นว่าบางทีโยมทําอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็มีตะวันแล้วก็เพื่อนเขามาที่บ้านใช่ไหมคะ ถ้าเพื่อนเขาไม่ไม่พูดขอบคุณโ ย, ยมก็ไม่ถึงสาะคะ่ะแต่ถ้าเจ้าตอนไม่พูดไม่พูดคำมาขอบคุณอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะโยมก็จะตะวันทําไมไม่พูดล่ะลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์อันนี้คือโยมว่าโยมสอนได้แต่ว่าใจของโยมมันไม่พอใจอะคะ่ะนี่คือโยมก็ต้องไปูดขอบคุณอาจารย์ไม่มยวยด้วยอารมณ์สอนด้วยเหตุ ใ, ใจต้องเป็นโนบิขาใจต้องไม่มีอารมณ์อย่างนั้นเราก็รู้ว่าเรามีอารมณ์ใช่ไหม แสดว่าเรามีสติมีปัญญาเริ่มเห็นอารมณ์ในใจของเราสอนได้สอนสิ่งที่ดีที่ควรนะถ้าเขาไม่ทําก็คือสอนได้แต่ว่าห้ามมีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้ยากอ ย, กอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าโยมจะพยายามเมื่อท่านมีอารมณ์ว่จะโกรธเขาหลอนแล้วาแล้วเราก็จะโกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีอารมณ์เราจะไม่โกรธเราไมีน่ที่บอกจบแล้วก็จบทําให้จําม่เลิกเขาไป กิเลสมันจะมีข้ออ้างค่ะอาจารย์ว่าทำไมเรื่องแค่นี้ทําไมถึงไม่รู้เรื่องเรื่องแค่นี้ทําไมถึงทําไม่ได้มันง่ายมันง่ายมากเลยนะค่ะมีข้ออ้างให้โกรธค่ะอาจารย์นั่นแหละมันก็เราก็ต้องไปดูที่ที่ที่ความโกรธว่ามันไม่ถูกถ้าโกรธก็ไม่ถูกนะถ้ากรรมวิธีตามถ้าความอยากอย่าให้เขาทําตามที่เราสอน เราก็ไม่ทําตามล้วก็โกาาารธค่ะผู้อาวุโสนะพราะเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาอยากไม่ได้อยากให้ฝนไม่ตกไม่ได้อยากให้แดดไม่ออกไม่ได้ฝนมันจะตกก็ตกแดดมันจะออกก็ต้องออกหวมันใช่ค่ะอยาค่ะอยากให้พูดครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องเลยค่ะเอามวงอยากมันต้องคิดบ่อยๆมันถึงจะเข้าใจมันไม่ใช่เป็นก่อ จะเข้าใจได้ง่ายสำนวนนี้บางทีต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงจะวันถึงจะล้างอ๋ออ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นิจาเป็นอย่างนี้นนทุกเป็นอย่างนี้แล้ว<ๆ>เราใช้ประสบะการณ์ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปก็จะสะสมปร ะ, ประสบะการณ์ผิดถูกไปรเรื่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับการใช<น> อไม่ใช่จะบรรลุ ป, ปุ๊บ ป, ปั๊บได้เลยนอกจากว่าปัญญาเราเฉียบแหลมแหลมคมแล้วเข้าใจทุกทุกด้านทุกมิติอะไรก็โอเคอย่างที่มันไม่เข้าใจมันก็ต้องวิเคราะห์พิจ า, า, ารณาเวลาภพลาดไปแล้วก็เหตุการณ์นี้มาวิเคราะห์อย่างที่ ม, มาเล่าวันนี้เรามาวิเคราะห์ว่าเราพาไปตรงไหน มันก็ับมาที่อริยาสาัจสีมันพาดเราทุกก็เพราะว่าเราไปอยากใช่ไหอใช่ค่ะอาจารย์ที่เราอยากเพราะเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอน้าตาที่ว่าเราอย่างสั่งเขได้มันก็มันก็มีเหตุผลต่อเ น, นื่องไปมันก็ไปจบที่ความหลงเนะี่ยไปหลงว่าเขามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สั่งได้พอเขาไม่ทําตามเราก็แล้วเราก็เลยทุก ต้องคิดบ่อยๆแล้วก็ต้องสอนจิตให้มันยอมรับความจริงตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมคะพาราชันหรืใช้สติแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็คิดบ่อยๆใช่ไหมคะพาราชันคือสัมเบตมานัตตาบ่อยๆทุกอย่างเป็นนัตตานะทุกอย่างเป็นดินน้าลมไฟนะดินฟ้าอากาศลมจะพัดแดดจะออกเงามันไปควบคุมบังคับมันไม่ได้คนก็เหมือนกันคนเขาจะทําตามเราแล้วไม่ทําตามเราแล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้ อย่าสอนได้ถ้ามีหน้าที่สอนก็ต้องสอนแต่อย่าสอนด้วยอารมณ์สอนด้วยด้วยเหตุได้ผลถ้าทําได้จะเป็นขั้นภาวนามยปัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ว่าใจมารู้แล้วก็ปล่อยของมันเองนะคะถ้ามันไม่ทุกก็แสดงว่าเป็นเพราะเป็นเพระไมยปัญญาดับความทุกข์ใจได้ หรือเวลาใจมันจะเริ่มทุกข์ถ้ามีสติมันก็จะเห็นขึ้นมาในใจเราให้กำลังจะทุกข์แลนะกำลังอยากเครียดแล้วนะแล้วเราก็วิเคราะห์เราก็อยากใช่ไหมมันถึงทุกข์มันถึงเครียดเพราะเราไม่เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาใช่ไหมแล้วก็ไล่กลับไปตรงนั้นทันทีนทนทนพอพอเผอพ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอลืมันนิจจังทุกขังหน้าตามันก็อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราอยากมันก็เครียดเลยทุกข์ขึ้นมา วุ่นวายใจขึ้นเดี๋ยวพอเราวุ่นวายใจถนะ้าเราฝึกแล้วก็ต้องใช้ปัญญาย้อนกลับมาเอามันเราต้องอยากนะมันถึงทุกข์เนี่ยที่เรามันอยากเพราะเราไม่เห็นอนะนี้จังทุกข์ขันนะั้นตาอ่ามันก็กลับไปแค่นี้ลนะค่ะโอเคนะมีอะไรไหมขออาจารย์รไม่มีค่ะก็โยอมจะปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ตามคําสอนของพระอาจารย์ค่ะ อะ า, าถ้าเท่าแต่ในที่โกเบออกจากฮอลแนด์ไปโกเบสมัยนี้เราบินไปได้อย่างรวดเร็วกลันมวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ <S <S 2> <S 2> จะมาแรางร่็หนูเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติกับพระอาจารย์ตอนนี้ได้ครบหนึ่งปีพอดีแล้วค่ะเป็นยังไงดีขึ้นไหยดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ทําให้หนูใช้ชีวิต มันมันล่มเย็นเป็นสุข ด, ดีอะค่ะพระอาจารย์คําสอนของพระอาจารย์หนูจําไว้ในสมองตลอดเวลาแล้วค่ะเลยเจ้าค่ะเราปฏิบัติเองก็ได้ใช่ไม่ต้องไปเข้ากลุ่มก็ได้คช่ไค่ะไม่ต้องไปเข้ากลุ่มก็ได้เจ้าค่ะเราอยากจะนั่งที่มาธิเไรก็นั่งได้อยากจะสวดมนต์เมือ่อไรก็สวไ ด, ไ, ไ, ด ไ, ได้ไม่ต้องเข้ากลุ่มหรอกค่ะตอนนี้หนูพยายามฝึก อ, อมีสติอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็คือดูลมหายใจทุก ทุกเวลาเลยเจ้าค่ะบาง mm hmm. ทีอาจจะเต๋อไปบ้างก็พุดโธพุดโธบางทีมันมีฟุ้งไปบ้างก็ก็พูดโธเอาไม่อยู่หนูก็ท่องใจสิกขาค่ะอาจารย์ค่าแ mm hmm. mm hmm. ล้วก็เรื่องอมากน้อยสันโ ด, ดอ่ายอมหยุดเย็น mm hmm. หนูก็จําเอามาใช้ในปัจจุบันนะคะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันดีกับหนูมากเลยเพราะว่าอ เวลาเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหรือคนอื่นนะคะมันมันทําให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเยอะเยอะขึ้นมากเลยค่ะพรอาจารย์ mm hmm. แม้เราบางทีเราทํางานเราเราไม่ได้ผิดแต่ก็เอ้ยอมขอโทษเขา้าวซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้การงานราบรื่นไปได้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ย mm hmm. อ, อมยุดยืนอย่างอ่ อ, อนน้อมถ่อมตอนค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะตอนนี้ mm hmm. ก็ไม่ ฝังอะไรแล้วเมื่อก่อนตอนก่อ น, อนที่หนูจะเข้ามาหนูทุกมากเลยแบบทําไมเราทํางานแล้วเขาเขาเหมือนไม่เห็นค่าเราเลยเราทํางานดีกว่าคนนั้นคนนี้อีกทําไมทําไมเขาเราไม่โดนเลือกให้ไปรับผิดชอบงานที่มันมันมันเป็นหลักสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วแล้วหนูก็คือเข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าให้มักน้อยสันโดษทํางานเพื่อเลี้ยงเชียบเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ต้องเอารางวัลสรรเสริญอะไรอ่ะคะ่ะมันก็ดีอาจารย์เบาขึ้น เ, นเนยอะสบายขึ้นเนยอะ บายมากเลยค่ะก็คือแค่ไปทํางานรับตังมาแล้วก็มานั่งปฏิบัติอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้พอแล้วยงังทำงานเพื่อเลียเ้ยงปากเลี้ยงท้องไม่เอาเงินวิลล์มาไม่เอาตําแหน่งยศอะไรขออะไรเงนินเดือนก็พอแล้วค่ะมีอย่างเดียวเท่านั้นค่ะพระอาจารย์ที่แบบพอหนูเข้ากลุ่มนี้ยราหนูฟังฟังพี่ๆหรือกัลยาณมีทุกช่านเขาพูดต่อมาว่าเขานั่งสมาธิกันได้ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูนั่งได้หนึ่งชั่วโมงแค่ครั้งเดียวเองค่ะพระอาจารย์ <S <S คือตอนไปนั่งรวมกลุ่มกับเขาแล้วตอนนั้นน่ะก็คือหัดกาแฟเข้าไปมันก็เลยไม่ง่วงนอนค่ ะ, ะสติเรายังมีน้อยอยู่ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นเราหัดฝึกสติตอนตื่นเช้าขึ้นมาเริ่มต้นก็ฝึกสติพุโทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยแล้วค่ะเนี่ยปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไป แล้วเรา <Okay. S 1> ประทานได้วาเดี๋ยวตอบเวลาต่อไปนั่งสมาธิจะนั่งได้นานขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูขอถามนิดนึงเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิอะค่ะเหมือนหนูหนูรู้จักน้องน้องพระ ค, คนนึงคือเขาเป็นพระนะคะเป็นรุ่นน้องหนูก็ถามเขาว่านั่งสมาธิจําเป็นที่จะต้องนั่งเอาขาขว า, าทับขาซ้ายไหมหรือนั่งขาสมาธิเพชรไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คือมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องนั่งแบบนั้นหรือว่าเราเอานั่งตามที่เราสบายค่ะคือถ้าเราต้องการนั่งแบบมืออาชีพเราก็ต้องนั่งขัดสมาธิพระพทธเจ้า<ม>พระอาหารหันต์นี่ถ้านั่งขัดสมาธิกันนะแต่ถ้า<ม><ม>เราอยากเป็นมือสมัครเล่นก็นั่งในท่าไหนก็ได้หนูจะพยายามเจ้าค่ะ<ม>ตั้งแต่ฝึกมาหนูเคยนั่งได้ครั้งหนึ่งนั่งได้ครั้งหนึ่งแล้วนานด้วยจนไม่ๆมนอาจจะยากเราไม่อยากจะนั่งกัน กิเลส่ม่ชอบมันชอบสบายถ้าเราชอบสบายเร า, เย อ, เราอย่ามาทางนี้ทางนี้มันไม่ใช่ทางสบายทางทางลำบากเจ้าค่ะถ้าจะมาทางนี้ต้องยอมสู้กับความยากลาบากฝึกไปใหม่ๆมันยากเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายพอมันชิ้แล้วมันก็ง่ายแล้วมันนั่งสบายท่าคับายนี้มันนั่งได้นานนั่งได้สบายกว่านั่งท่าอื่นเจ้าค่ะ หนูจะพยายามน้นําเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะขอบคุณมานะเจ้าโอเคไปที่เอาเองวันนี้่กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกก็ครบหนึ่งปีแล้วค่ะพระอาจารย์ที่ได้เข้าห้องสูงแล้วก็ได้มาปฏิบัติะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนกันค่ะมีความค่ะน้ําเดียว ค่ะมีความเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะก็จากที่นั่งไม่ได้เลยต้องต้องฟังแต่ทีออ่ฟังเทศอย่างเดียวนั่งก็แค่แบบก็เต็มที่ก็ห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้นั่งได้คือเป็นตารางเลยค่ะก็คือเช้าสองจังวันหนึ่งเย็นสองคือสบายสบายค่ะตอนนี้ว่าจังดีมาก คือชีวิตเปลี่ยนไปมากมากค่ะก็ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็กราบขอพบพระคุณพระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้ก็ค่ะก็เข้าเข้าสมาธิได้ง่ายมากๆค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนมันแบบรู้ทางแล้วค่ะพระอาจารย์ลมหายใจก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วค่ะก็คือไม่มีปัญหาว่า รู้สึกแบบปืดอักรู้สึกแบบเหมือนจะขาดใจอ่ะคะ่ะผู้อาจารย์ไม่มีแล้วคะ่ะก็คือเหมือนรู้รู้นะจุดจุดนั้นว่ารู้ ร, รู้รู้ลมหายใจอะคะ่ะผู้อาจวุโสก็ดีเราก็ต้องมาให้ความสาคัญกับช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเนอะช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเราไปทําอะไรไปเจออะไรเราก็ต้องคอยคุ ม, ม, ามอารมณ์เราให้ได้นะอย่าปล่อยตัวค่ะผู้อาจาโสต้องปล่อยวค่ะผู้อาวุโส ค่ะพระอาจารย์นึกถึงตายรักบ่อยๆนะก็หลังจากออกสมาธิก็ต้องเริ่มนึกเริ่มนึกถึงอริยสัจสี่แล้วก็ใจรักใช่ไ้ยคะพระอาจารย์ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับใครนะเวลาไปเกี่ยวข้องกับใครเหตุการณ์อะไรทําลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าใจเราเริ่มเครียดขึ้นมาเนี้นแสดงว่าเราเราเราทุกข์นะเนาทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราค่ะพระอาจารย์ แล้วถ้านั่งไปแล้วเออ่ลมหายใจมันละเอียดมากๆอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์<ม>เราก็รับรตาามมควเป็นไม่ต้องไปทําอะไรค่ะพระอาจารย์มันกําลังจะรวมมันกำลังจะงงจะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่าเราให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรอย่าไปบังคับลมอย่าไปควานหานลมอย่าไปทําให้ลมขึ้นค่ะก็รู้ไปเฉยๆนะคะพระอาจารย์ก็ พอเ <rieb> <อ>มต่อรู้สึกว่าลมหายไปก็ให้รู้ตรงให้รู้ว่ามันหายไปแล้วก็รู้กับการไม่รู้กับความว่างไปค่ะพระอาจารย์ก็อยู่กับความว่างอันนี้ไปเรื่อยใช่ไหมคะก็อยู่กับมันไม่หายมันก็จะเหมือนกับมันก็จะเหมือนกับลมหายใจเหมือ น, นกับจะหายไปแบบให้หยุดหายใจเพลกหนึ่งอะไรทํำนองนี้แล้วมันก็จะนิ่งจะสงบไม่ต้องกลัวไม่มีไม่ไ ม, Reed, ไ ม, ไไมีไม่เป็นอาการ ตาแล้วหมือนคนตายเหมือนหมืนะหายใจเฮือกสุดท้ายอย่างงั้นค่ะพระอาจารย์แล้วยังยังไงต่อเขาก็ทําไปเรื่อยๆคือคือรักษาความนิ่งให้มากขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมค่ะก็มันคือตรงนั้นแล้วมันจะเจอความอาสจรย์ใจขึ้นมาเองเหมจอนนั่อคือมันจะเจอความสงบที่แบบสงบแบบมากมากใช่ไหมค่ะที่ไม่เคยเจอมาก่อนอือค่ะ มันก็จะรู้เองว่าไม่ไมต้องทำอะไรในการรักษาให้มันอยู่ให้มันสบบงบเงี้ยไปานานๆอยาคิดปุงแต่งอย่าไปปล่อยให้ใจคิดปุนแต่งค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนําปฏิบัติตอนนี้ก็ลูกก็จะพยายามนั่งให้มากขึ้นนะคะเราคิดว่าตอนนี้ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างวันเสาร์ลูกก็หลังจากหลังจากเที่ยงก็คือลูกก็จะนั่งจนถึงสองทุ่มนะคะ ก็นั่งแล้วก็มีมีเดินจงกรมบ้างถ้าเกิดรู้สึกเมื่อยอะค่ะพระอาจารย์เหมือนมันมีกําลังใจอะค่ะพอพอนั่งแล้วมันสงบอย่างเร็วสงบง่ายแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันมีกําลังใจที่จะนั่งมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เนีมันยิ่งปฏิบัติได้ผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องจะจะทำอะไรเลยเพราะไม่เวลาจะดีเท่ากับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ จริงค่ะพระอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันตอนนี้มันเหมือนแบบมันมันกําลังเข้าได้เข้าเข็มบอกไม่ถูกค่ะมันมันเหมือนมันมันสงบจนมีความรู้สึกว่าเออยากจะถึงแบบอยากจะพอว่างก็อยากจะนั่งคนะคะโอเคพยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าที่จะทําได้ไดค่ะพระอาจารย์น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะอาสาด ไปที่คุณหมอภาสนะหมอค่ะการเมืองสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เ อ, อประชุมก็เรียบร้อยค่ะพระอาจารย์นัคือเป็นข้อสอบที่ดูแล้วก็มันเบาโล้มันหลุดค่ะพระอาจารย์คือแบบเป็นผู้ดูได้พระอาจารย์อแล้วก็แล้วก็เนี่ยค่ะได้ทําทําำธรรมทานข้อสิบใช่งไหมพระอาจารย์ที่เป็นเรื่องธรรมทานก็ พอดีคุณพ่อก็เลยอ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วก็อยากจะพิมพ์หนังสือก็เลยแนะนำก็เลยร่วมกันพิมพ์หนังสือพระอาจารย์เนี่ยค่ะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเป็นหนังสือที่ที่คุณป้าปุกเขียนนะคะก็ก็ขออนุญาตคุณป้าปุกแล้วพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวจะเอาถวายพระอาจารย์ที่เบปันเล่มก็รู้สึกปิติเลยค่ะพระอาจารย์พเพราะเล่มนี้เป็นเล่มที่บอกว่าติดตัวไว้ตลอดเวลาไปวัดไปอะไรอย่างนี้แหละพระอาจารย์รู้สึกอยากอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองอ่านุกอะไร อ็รักษาใจได้เยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมีข้อสอบอีกแล้วก็วจะไปตรวจตาไว้ไม่ไรลก็จะไปได้ไปดูว่าเอาให้เอาให้ชัวร์วแน่ๆไปตรวจตาอีกแล้วพระอาจารย์มีสองสองรูระตาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรการทําต่อค่ะพระอาจารย์รยังรักษายังรักษาดาวไว้ตลอดนะพระอาจารย์แต่ว่ามันยังสงบอยู่สงบตั้งตั้งแต่ทั้งในแล้วก็นอนะพระอาจารย์อยากสงบได้อยู่อี่ ให้มันสงบให้มันเย็นให้สบายไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนแห่งใดนะค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่ามันสงบแล้วมันรู้สึกดีมากมันมันรักษาได้ขอบพระคุณมากอ่าไปที่คุณอุสาการดิษยาเวลาที่ว่าอขยาว่าก่อนอรูปวาดก่อนนมัสการข่ยอาจารย์อ่ารูปวาดบนรัสการค่ะพระอาจารย์จบอ่า สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพระาอาจารย์ต้องดูแลหมาที่ไม่สบายนะคะพระอาจารย์แล้วบางทีพอเห็นตอนที่ต้องใช้สติมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ไปไปดูเขาแล้วเขามีเลือดออกหรือออกมีเลือดออกจากปากหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ใช้สติแบบว่ามองแล้วก็พูดโธพุดโธ้เอาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้า ตอนกลางคืนถ้ารู้สึกว่าใจมันเริ่มดิ่งๆก็นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์น้ําตามันเริ่มไหลก็พยายามให้มันเข้าดันให้เข้าสมาธิให้ได้พอมันออกมาบางทีถ้ายังรู้สึกยังเศร้าอยู่ก็ดันเข้าไปค่ะจนกว่าจะหยุดนั่งจนกว่าที่พอเข้าไปแล้วพอพิจารณาว่าว่าไม่เป็นไรนะั้นเราต้องมองเขาเจ็บให้ได้ค่ะก็โอเคขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทํา ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เนี่ยอทำแบบนี้ถูกหรือยังะคะเพราะว่าอยากจะดูแลเขาให้ไม่อยากจะดิ่งลงลงไปค่ะอยากมองเขาแล้วก็ดูแลเขาให้ได้ค่ะก็วเวลาดันเข้าสมาธิดันยังไงก็พุโทโธต่อค่ะพุโทโธ<อ>พุโทโธต่อจนกว่าจะสบายพอสบายก็รักษาก็รักษาให้ให้มันเข้าไปในสมาธิให้มันสงบพอสงบสักพักหนึ่งมันก็จะถูก ใจมันก็จะเริ่มสั่นให้มันออกออกมาคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้่ค่ะพอเริ่มคิดเรื่องนู่นเรื่องนี่ก็ลองนึกว่าลองมองภาพลองนึกถึงภาพเดิมที่เขาไม่สบายอยู่ะค่ะถ้ายังเริ่มรู้สึใจยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็พูดโทต่อค่ะพูดโทจนกว่าจะสบายจนกว่าจะรู้สึกว่าเข้าสมาธิได้อีกรอบหนึง่งแล้วก็รักษาระดับให้มันเริ่มสบายสักพักหนึ่งมันก็ถูกดันออกมาคิดเรื่องเรื่องที่ มันเริ่มคิดฟุ้งซ่านนะคะเริ่มคิดออกมาก็พอเริ่มคิดบางทีก็ให้ให้พูดโทเข้าไปนานๆมากขึ้นมากขึ้นพอมันรักษาความควา ม, ความสงบไปได้สักพักหนึ่งพอมันออกมาก็ลองนึกว่าเขาจะต้องไม่รอนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายของเขาอะคะ่ะก็พอเวลาที่มันเริ่มทำใจได้เริ่มนิ่งๆแล้ว มองมองถึงความเกิดแก่เจ็บตายได้แบบไม่สั่นไม่เศร้าอ่ะค่ะก็ก็ดีนะอาจารย์ต้องพยายามมองมองภาพภาพรวมโด้วยมองให้มันกว้างคือมองทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาหรือเไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ทุกวันหนึ่งก็จะต้องเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้แล้วมันจะทําให้เรายอมรับกับความเป็นจริงนี้ได้ ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์อ่าแล้วก็ที่ผ่านมาก็เอาน้ำหอมไปให้น้องคนนึ่งแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะคะไม่ใช้แล้วเหรอก็ยังคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็พอเอาไปให้น้องที่รู้จักอะค่ะเอ่อเพื่อนก็ส่งข้อความมาว่าซื้อน้ำหอมออมาฝากเลยค่ะ แต่ว่าเลยคิดว่าเออจะทําไงถ้าบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราใช้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เสียใจแต่ก็เลยบอกบอกเขาไปว่าช่วงนี้เราอยากจะเริ่มเลิกแล้วล่ะอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อนก็บอกเออลองเอาไปใช้หน่อยอย่างน้อยก็ได้บอกเขาอะค่ะว่าเราจะจะจะไม่ใช้อย่ามาให้เขารู้อะค่ะแต่เขาจะอยากส่งมาก็โอเคพอรับเสร็จแล้วค่อยเอาไปให้คนอื่นต่อก็ยังไม่ก็ดูปณีปนอมมากที่สุดอะค่ะพระอาจารย์ค่ะ บางทีไม่ต้องบอกเขาก็าได้ท่านก็ไม่ถามจะ <รอ S 2> บอกเขาให้มาก็รับไปแล้วขอบคุณเข้าไปแล้วเราก็ออกไปให้คนดื่นต่อก็จบเขาก็าここจะได้ไม่เสียใจไม่อะไร ค, คนอื่นก็จะได้รับอา น, นิสงส์เดี๋ยวก้าเขาส่งมาอีกแล้วก็เอาไปทําบุญต่อ <c oughs> ขอบพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรละแล้วค่ะเวลาให้เขาเป็นงานรู้สึกเสียดายเสียใจอหรือดีใจเบาใจ มันรู้สึกดีกว่าตอนได้น้ําหอมเองอย่างค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าเขาเขามีความสุขเพราะเขาก็รู้ว่าเขาก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วน้องเขาน้องคนนี้เขาลําบากเขาต้องอยู่กับปุณยายที่ตาบอดแล้วบ้านเขาก็ลําบากแต่เขาก็ชอบชอบน้ําหอมอะไรเงี้ยพอเอาไปให้แล้วก็ฉีแบบเอาแซมเปิลชีทไปให้แล้วฉีที้เขาดมเขาก็ยิ้มแล้วมีความสุขแล้วมันมันรู้สึกว่าดีค่ะน่ราจะรู้สึกดีไม่เสียดาย ค่ะเพราะว่าก็เรียกรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆก็ยังอยากเปิดดูเหมือนกันค่ะว่าเออมีอะไรใหม่ๆบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ตอนที่ให้ยังไม่เสียดายค่ะพราจารยรู้สึกว่ามันจชนะความตืม่นหน้เวลาให้นะเรามีความสุขนี้แสดงว่าเราชนะความตนืนหน้ชนะความผวงได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ชนะการตัดเรื่องชอบขาดนะคะไม่ยังค่ะก็ยังคิดถึงมันก็ยังชอบหาหนังหใหม่ๆค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ ชอบน้ำหอมชอบน้ำหอมใหม่ค่ะพระอาจารย์มีอะไรก็หาข้อมูลแล้วก็คุยกับเพื่อนเป็นเรื่อยค่ะพระ อ, อาจารย์ค่ะอไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์การอภิมศการข้าราชารของโยมนะคะคราวนี้ไม่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ววะค่ะโยมไปช่วยงานศพของพ่อของพระอาจารย์ที่โยมนับถือนะคะแล้วจากการทํางานเนี่ย ยมได้เห็นเหมือนกับสะท้อนกระจกเงาว่ากิเลสของเรานี่มันมันมันเป็นแบบนี้เองเหรอตัวเราเป็นแบบนี้เหรอจากการทำงานร่วมกันนะคะยมก็คิดว่าอ๋อถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะไม่ทำเราจะกลับมาปรับรปรุงตัวเองค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดศพก่อนที่จะเผาใช่ไหมคะยมก็เลยขออนุญาตขึ้นไปดูเพื่อเป็นเป็นการศึกษาะคะ่ะประยปกติยมจะกลัวเรื่องกับการดูศพ แต่คั้นิยมไปยืนเพ่งดูเพ่งดูคนที่อยู่ในโลงอะคะ่ะดูแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันเฉยๆจนพอวันรุ่งขึ้นเขาเก็บกระดูกโยมก็ขึ้นไปดูอีกโยมก็เห็นกระดูกที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์มันมันไม่ได้ละเอียดเล็กๆเหมือนกับที่เคยเห็นนะคะปกติโยมจะไม่ดูแต่ครั้นี้โยมจะดูงแต่กระโหลกก็ยังเป็นกระโหลกแขนก็ยังเป็นแขนขาก็ยังเป็นขาอยู่คะ่ะอาจารย์ แต่ขณะที่ดูนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าสลดหรือสังเวชอันนี้ยมไม่ประสบความสำเร็จในการพิจารณาใช่ไหมคะก็ถ้าเราเสลดสังเวชมัน ก, มนก็มันก็โอเคแต่นี่คือมันเฉยๆอะคะ่ะตอนที่ดูก็เฉยๆต้องการให้มันเฉยให้มันเฉยๆไม่ไม่ไมอ๋อ มันไม่ไปมีอารมณ์อะไรกับมันมันก็นพลาดอะไรอย่งเป็นแค่ดินน้ำหลงไฟเราไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเี่ยคือคือตอนที่ดูก็คือดูเฉยเฉยไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดอะไรแค่ดูอ๋อกลุกทำไมเป็นแบบนี้เหรอก็โดกเป็นชิ้นใหญ่มากท่อนขาก็ยังเป็นชิ้นใหญ่มากก็ยืนมองซึ่ง อ, อ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอก็ยืนเพ่งเพ่งสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ลงมา ก็ให้ดูเพื่อให้เราเข้าใจว่านี่แหละคือร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้นคือแบบมันไม่มีสาระไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมันไม่แค่มันไม่แค่เป็นดินนะดินน้ําลมไปไอที่เหลือก็เป็นส่วนดินที่เราเห็นเนี่เป็นส่วนดินไอ้น้ำลไมไฟมันก็ระเหยจากเะิดแห้งออกไปจากร่างกายหแล้วก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินนี่ก็ ค, คือทรายดิน คือเป็นเป็นครั้งแรกค่ะอาจารย์ที่โยมขึ้นไปยืนเพ้งแบบนี้แต่ขออนุ ญ, ญาตขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนค่ะว่าขอขึ้นไปนะคะเพราะโยมไม่ใช่ลูกหลานใช่ไหมคะโยมก็ขึ้นไปดูแล้วก็ไปยืนดูเสร็จ แ, แล้วก็อมืมันก็คือธาตุดินที่ที่อาจารย์เคยบอกว่าคือธาตุดินที่เหลือเป็นธัตุสุดท้ายแล้วจากนั้นท่านก็เอากระดูกของโยมพ่อท่านเนี่ยค่ะไปฝังดินโยมก็ยืนดูมันก็คืนสูตรธรรมชาติตรงเนี้ยค่ะยืนมองไป ไม่มีความกลัวหรือความลักความชางมาเราก็เฉยเฉยมันไม่มีไม่มีความกลัวปกติยมจะเป็นคนที่กลัวมากเรื่องแบบนี้ค่ะมันตอนที่ขึ้นไปดูตอนศพตอนที่ยังไม่เผายมก็ไปยืนดูแต่บางเอิญว่าตอนนี้เป็นลงเป็นลงแอร์ค่ะมันก็เป็นสภาพที่ยังเหมือนคนนอนหลับยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะยังไม่เป็นก็ยืนดูแต่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ยืนเพ่งดูแบบนี้ เป็นครั้งแรกก็ดูแต่อารมณ์ตอนนั้นไม่มีความคิดอะไรไม่มีอะไรปรุงแต่งนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็คิดว่าคืนนี้ดูว่าเราจะกลัวไหมก็ไม่เป็นค่ะอยู่ได้พอลุ่งขึ้นที่พอเขาเก็บกระดูกโยมก็ขอขึ้นไปดูอีกขออนุ ญ, ญาตไปดู<ม>ก็ไม่มีความกลัวอยู่เฉยๆไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งแล้วก็กลับมาแต่เสียงมีเสียงคนพูดว่าเนี่ยขนาดตัวใหญ่นะ่าเหลือแค่นี้เราก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์กลัวค่ะจำ เราไปเราไปนั่งดูการ์ดจานใหญ่ครั้งดูก็ได้หรอดูจะกลัวไม่กลัวโยมโยมยังไม่มั่นใจค่ะยาขนาดหนังสือกายาคตาิโ ย, ยมยังไม่กล้าเปิดเลยค่ะแต่โยมเคยมานั่งทําตามที่อาจารย์บอกว่าลองนั่งสมาธิแล้ว เ, เอาผมมากองเอาสมมุติอะค่ะให้เอาผมออกจากตัวผมเล็บฟันไอ้ตรงฟันออกนี่ก็ยังพอได้ค่ะผมขนเล็บพอเล็บเริ่มแฉะแล้วใช่ไหมคาในความรู้สึกของโยมฟันออก พอหนังออกก็เริ่มเห็นกล้ามเนื้อเริ่มพอเอ็นเอากระดูกออกทุกอย่างมันก็เปลดลงมาก็เลยเอาแค่นี้ก็พอละแค่นี้เคยลองทําแบบนั้นดูค่ะมันเป็นพ่อค้าขายเป็ดขายกายัญที่เขาทำแหละใช่ใช่ใชเป็นชวนออกมาประมาณประมาณเห็นเป็นเครื่องในกองอยู่แบบนั้นละค่ะแล้วโยมก็หยุดแค่นั้นนะคะก็ะดูว่านี่และคือร่างกายของเรามันก็มีแค่นี้แหละตรงั้นมีเตอรที่เป็นตัวเราของเราบ้างมันไม่มีเราไปตูกขึ้นมาเอง เราผูู้้ผู้คิดนี่ไม่ได้เป็นร่างกายเลยเวลาไปหลงที่เราเป็นร่างกายอ่าชาเป็นครั้งแรกค่ะอาจารย์ที่ยอมอะลองดูขออนุ ญ, ญาตขึ้นไปดูเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนเป็นคนคิดกลัวค่ะอาจารย์ที่ลูกลูกชวนไปปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยยมกลัวค่ะยมเป็นคนกลัวผีแต่ยลูกชวนไปก็ต้อง เราต้องแสดงสติปิณิทว่าไม่เป็นไรลูกแม่ไปเป็นเพื่อนได้ดจริงๆโยมกลัวมากล่ะ mm hmm. แต่ก็พอมันก็อยู่ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็จริงๆแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมของโยมในแต่ละที่เนี่ยส่วนให ญ, ญ่ลูกเขาจะพาไปทางนั้นค่ะพาไปปูสังโฆพาไปวัดอะไรหลายๆที่โดนผีหลอกนะครับ mm hmm. เขาเป็นคนพาไปทั้งหมดค่ะอาจารย์อันนี้ต้องให้เครดิตลูกคอาจารย์แต่โยมก็พยายามที่จะเอามาใช้แล้วก็เราเห็นว่ากิเลส ข, ของเราเนี่ย เราเป็นตัวตนของเราแบบนี้เหรอจากการที่เราไปทํางานกับเพื่อนใช่ไหมคะคําพูดเขายมก็มาสะท้อนตัวตนของตัวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะเขือตอนนี้อ๋อเราเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเราวิเคราะห์ตัวเราเองผ่านการคําพูดของเพื่อนนะคะจารย์เอามาปรับตัวเองในอนาคตต่อไปค่ะอันนี้ยมก็รายงานให้จาันทราบค่ะโอเคดีก้าวหน้าไปเรื่อยๆตัดทุกข ค, ค่ะจันแสดงความกล้าหาญให้เพืมากขึ้นเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกินจะกลัว <Donc, S 2> กลัวค่ะอาจารย์การที่เราถูกผู้ใหญ่หลอกเนี่ยมันดูน่ากลัวนะคะกลัวอะไรก็อยู่กับมันตอนนี้มันก็อยู่กับเราเนี่ยใช่ยอมยอมยอมก็เลยเคยมองบางทีไปเดินนะคะอ่ะดูคนข้างหน้าเราดูซิเนี่ยดูเป็นโครงกระดูกมันมันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะอาจารย์แต่บางทีก็สงสารเขาก็เลยอย่าไปดูเขาดีกว่ามาดูของเราเองดีกว่าค่ะอาจารย์มันต่างกันที่ไหนไม่ต่างในช่องของเรา มันมันเหมือนเราเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขาแค่ฆ่าจานเราดูของเราดีกว่าค่ะวันนั้นดีกว่ามันกต็ต้องดูทั้งหมดนอะ่ะมันจะไ ด, มะได้มันจะได้ไม่หลงดูทั้งเขาดูทั้งเราดูกายนอกดูกายในกายนอกมันกายคนอือ่ในกายในก็กายของเราไม่ไม่เป็นการละเมิด อ, อะไรเขาใช่ไหมคะ ม, มันเป็นการมันการวิเคราะห์ด้วยปัญญาปัญญาต้องมองซอกซากไปทุก ท, ทุกแง่ทุกมุมมันถึงจะรอบครอบนี่ย มันจะมองแบบมองแบบในรอบครอบแล้วมันอาจจะคิดว่าเราร่างกายเราเป็นอย่างนี้คนเดียวร่างกายคนอื่นไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยอ่าค่ะแต่ว่าที่ที่ยมเห็นจากการไปจัดดอกไม้จัดงานศพรอบนี้นะคะเพราะว่าที่จัดสารากับเมียน่ะมันอยู่ติดกันแล้วยมต้องมาจัดดอกไม้อยู่ติดตรงที่ใกล้กับเมลเลยแล้วค่ำด้วยะจัดไปเพลินๆ พ, พอนึกขึ้นเฮ้ยนั่นมันเม น, นี่นาอ๋อไม่เป็นไรเราก็ทําไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่าค่ะอาจารย์ก็ความกลัวมันหายไป ค่อนข้างเยอะอะค่ะค่อนข้างเยอะค่ะปฏิบัติทํำไปเรื่อยๆต่อไปความกลัวมันก็จะหายไปหมดเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเราไปกลัวมันเองเราไม่รู้ความเปจริงว่ามันเป็นอะไรพ<ช>อรู้จริง<ช>แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไปที่คุณออมบอวินชอนมาเยอ้อมไปมาครบแล้วเหรอไปมาแล้วค่ะ นะเป็นไงเจอความกลัวไหมก็เหมือนอาีิตก่อนค่ะพระอาจารย์ <ไป S 2> ก็สู้ได้ค่ะไม่กลัวแล้วนะไปนั่งอาจารย์ด้วยไปนั่งที่ไหนคะพระอาจารย์ก็มีสวนสวนป่าอะไรที่สลั บ, บุูยนกะ่ที่โอ้มูไก่จัง ก็มีโรงศกคนตายนอนตั้งอยู่ในแค่ในป่าให้เราไปนั่งสองต่อสองถ้ามีโอกาสก็อยากทดลองอยู่ค่ะต้องมีจังหวะเวลาชว น, นไปได้วยกนันเพื่ อ, อสระบุรีไกลเลยล่ะบังหวบาคนเนี่ยกไปไกลอันนี้ก็ไปกัน <laughs> ที่ไหนที่นักปฏิบัติธรรมไ ม, ไม่ไม่มีความกลัวเรื่องระยะทาง <laughs> ก็แล้วกันเป็นที่ท้ทาทายที่เคยดูไว้จะเป็นที่วัดที่กาลาสินนะคะพอาจารย์มันก็มีเหมือนกันนะค่ะก็ว่าเออถ้าผ่านไปแถวนั้นก็จะแวะเข้าไปดูแต่จำชื่อวัดไม่ได้แล้วของวันนี้ไม่ค่อยอยากจะจำนะปกติก็รอจังหวะคนไทยถนัดนี่จำชื่อได้ไตรงไหนบ้างไม่ค่อยจำเหมือนกันค่ะ ไม่ไม่ค่อยได้สนใจก็ก็รอจังหวะโอกาสแบบผ่านไปทั้งนั้นหรือว่าโอกาสเหมาะๆอย่างนี้ก็แวะเขาไปดูแต่ว่าก็ก็สนใจที่จะดูอยู่ค่ะก็เนี่าพยายามไปศึกษานะการมองสตินะการจางงินสติมันต้องได้ทุกรูปแบบเนาะอาจารย์ต้องสวยทั้งไม่สวยทั้งสุภาพทั้งไม่สุภาพ เยอแต่สวยอย่างเดียวต้องดูว่าอัศาะด้วยคมันจะได้อกลมกลือองนงานมันจะได้สมดุลไม่เอียงไม่เอีงประเทศเลยตอนนี้ใจคนสวยย่วนใหญ่เอียงไปทางความสวยงามพอเห็นพอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเลยหน้าบิ้งหน้าเบี้ยวไปเลยค ร, ร่างเดียวกันนั่นแหละมันก็ร่างกายเดียวกันโอเค okay. มีอะไรไหมไม่มีค่ะ โอเคค่ะ okay. ขอนะคีคุณแนนสุภัดาคุณอนทานิอ่ากัน้อมสักการค่ะันร่วมฟังธรรมค่ะไม่มีคาถามโอเคค่ะเอ็นเทีรไลเชการน้มักการยครับผม้มีเข้ามารับฟังครับ ภาษาได้ยังในสัตว์ชี้อยู่ไหมครับคือในสัตว์ี้อยู่ครับพระอาจารย์ครับนีอ๋อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถึงตีห้าครับอาจารย์อืมอก็ทุนี้ก็มันก็สงบดีครับพระอาจารย์ครับคือผงก็ดูลงไปครับพระอาจารย์แล้วก็ลมสั้นกร็รู้ลมยาวก็รู้ครับอาจารย์ไม่มีลมกลูอย่างเงี้ยครับอาจารย์อืมไอไอไอที่พร ะ, ะรู้รู้เนี่ยที่ที่วิ ที่ท่านผู้รู้ขเขาเรียกว่าผู้รู้อย่างเงี้ยมันมันใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ผู้รู้แต่มันยังรู้อยู่กับลมอยู่เดี๋ยวมันจะทั่งมัรู้อยู่กับความว่างมันก็จะจะจะรูะ้ชัดขึ้นเจะเห็นตัวรู้ชัดขึ้นครับครับทะลุกับความว่าง ม, ม, มันจะชัดขึ้นตัวรู้เนี่ยมันไม่สําคัญน้องเขาได้ถูกที่เรารู้อะมันมันมันเป็นอย่างไงมันเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมธรรมนี้มากกว่าอ๋อครับผม เราฝึกสติให้เี่ยรู้ไงรู้ใจเราว่ามีอะไรบ้างมีธรรมะมีกิเลสมีอะไรมีอารมณ์มีอะไรต่างาแล้วเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราจะได้นะครับมันได้เพื่อไม่ให้มันเกิดก็รู้ว่าริยสัตเสียสัตสียมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละครับครับอืบมฝึสติไปแล้วต่อไปมันก็จะเห็นทุกสมุทัยนี่รุวว่นนปราก่อนขึ้นมาให้เลย ตนนีนกากฏตาม น, นี้เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ไม่ไม่มองเข้าไปข้างในครับอืมครับแต่ต่อไปมันก็จะชัดเจนขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนพอพเกิดความอยากครบแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวทุกตามแล้วถ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากครับผมครับผมอ๋อครับครับครับผมดแต่ช่วงนี้แบบมันมันช่วงช้าสงบมากครับอาจารย์มัน ตอนตอนออกจากสมาธิมามันความรู้สึกบอกเวลาไม่หายใจมันมันก็ดีเหมือนกันนย่า้ยครับมันมันเกิดแบบรู้สึกว่ามันดีมันก็เบาสบายอยู่มันเกิดความรู้สึกนี้ครับพรอาจารย์ไม่มีลมก็ดีเหมือนกันนี่มันเป็นจิเลสหรือเปล่าครับพอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกมัจะเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่ทุกคนก็ไม่เป็นถ้าทุกคนก็เป็นอืมไม่ไม่ทุกครับอาจารย์ครับไม่ทุกมันมันเหมือนมันความรู้สึกว่า ไม่หายใจมันดีกันนะแบบว่าอไม่ต้องไม่ต้องมาลาบากลมเข้าลมออกอะไรประมาณนี้พระอาจารย์พระเจ้าบอกร่างกายนี้เป็นภาระหลักอย่างยิ่งเลยภาระเฮเวนจากขั้นท่ามีร่างกายก็ต้องหายใจต้องดื่มน้าต้องกินข้าวใช่ครับย้บลหลับถ้าต้องคอยดูแลมันตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษามันมันเป็นภาระไม่มีร่างกายก็สบาย ค, บคนที่ตายมันลัง พลังไม่มีแล้วใช่ไหมร่างกายไม่มีไม่เป็นภารงของร่างกายนะคนตายครับจะเปรียบเทียบกับคนเป็นคนตายสบายกว่าคนเป็นใช่ไหมครับคนตายก็ไม่ต้องทําอะไรกับร่างกายนะจบจกไม่ต้องหาข้าวกินไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องอะไรไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องดูแลไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องอะไรนะเป็นแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็ปฏิบัติทําไม่ได้กัน ถ้า ม, มีร่างกายเราจะได้เป็นความเทศทางธรรมได้มันเป็นปฏิบัติธรรมได้มันดีตรงนี้นะน้าการมีร่างกายแต่พอบรรลุแล้วร่างกายก็ไม่มีความหมายต่อไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีดีกว่าไม่มีก็ไม่ต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูัไปแต่แต่ถ้ามบรรูุ้อย่างนี้ถ้าถ้ามรรู้ถึงพระสุนบัณฑ์ขึ้นไปก็สามารถต้องต้องสูงว่าพระสุนบรภัณฑ์่ครับอาจารย์ที่ว่าไม่ต้องมีร่างกายก็ มันยั ง, งไปยังมีมกามกามมาลาค้าอัู่ยังอยากเสพกามอยู่อ๋อต้องต้องผ่านชั้นกามขึ้นไปก่อนอืผ่านชั้นอนาคตมีไปแล้วมันก็ไม่ก็ไม่กลับมาเกิดมันมีรา่างกายแล้วเพราะมันอยู่นในโทมะโลกแทนกัมครับ ต, ต้องผ่านชั้นกามเข้าไปก่อนตัดกมัมผ่านรา่างกายทุกประเด็นไปให้หมดก่อนไม่ใช่รา่างกายนี่ครับอือใช่ผมใช่ผมโอเคนะ ครับกับของคุณอาจา <uteur. S 2> รย์ครับผมขอได้รับถามอาจารย์แข็งแรงครับผมครับท่ครับคุณชายานิดคุณหน่อยเป็นยังไงหายไปไหนมาปิดเทอมพาเด็กไปเที่ยวนะคะมี้ออ้างนะไปเที่ยวได้ทั้งปีแล้วปิดเทอมไม่ไม่ปิดเทอมก็มีข้ออ้างอที่ น, นั่นดีที่นี่ดี ที่จริงไปแค่ช่วงปิดเทอมเจ้ค่ะแล้วก็ก็ปีหนึ่งประมาณสองสารอบเค่านั้นแหละแล้วก็ไม่อิ่ไมไม่พอทักทีเลยแล้วก็ไปใส่บาตรพระอาจารย์นะคะ ถ, ถ้าจะไปก็อยากไปพัทยามากกว่าเจ้ค่ะเพราะว่าจะได้ไปใส่บาตรพระอาจารย์ด้วยเจ้ค่ะวันนี้อ่า เด็กที่หน่อยพาไปเที่ยวค่ะต้นน้ําเป็นหลานนะคะเข้ามาด้วยแต่ว่าคืออ่าที่จริงเรื่องของเรื่องคือหน่อยทําโทษเขาเขาไม่สมกันบ้านไหนก็เลยให้เข้ามาซูมผ้าจาย์อาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเป็นร้อยร้อยชั่วโมงอะใช่ไสม <laughs> <laughs> <laughs> ก็ดีก็ไหนไม่รู้จะทําโทษยังไงก็ให้ให้ให้เลือกเอากับตีร้อยทีกับ เข้าซูมเขาก็เลือกเข้าซูมแทนเจ้าค่ะไม่อยากโดนตีตอนที่เขาดูอยู่ว่าอ่าอืมน่าจะออกไปแล้วนะเจ้าค่ะครบครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครบปุ๊บออกปั๊บเลยสะค่ะเขามาถามว่าออกได้หรือยังก็ยังดีให้เขาดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะสัปดาห์หน้าน่าจะดีขึ้นเจ้าค่ะแตจะให้เข้าเร็วกว่าเดิมเจ้าค่ะจะได้ เพราะว่าน้องเป็นคนไม่น่ใจจ้ะค่ะแล้วทีนี้ไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอยากให้เข้ามาทางสมาธิเผื่อจะดีขึ้นจ้ะค่ะที่จริงก็รักษาศีลไหนคิดว่าถ้าออกพรรษาก็ยังจะทำเหมือนเดิมจ้ะค่ะควจะทำตลอดเวลายนะอย่าถือว่าเขา้าพรรษาแล้ว อ, ออกพรรษาจ้ะค่ะยิ่งทางทมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดี เจ้าค่ะก็เอ่อคือเรื่องหนึ่เรื่องคือกิเลสหน่อยมันยังมีกําลังแรงอยู่จะขาดแล้วทีเนี้ยหน่อยก็ถือได้ประมาณเจ็ดข้อแล้วทีเนี้ยอ่าเหมือนกับที่ดูเน็ตซีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่ดูแล้วก็นอนเลยเจ้าค่ะอย่างเงี้ยครบแปดได้ไหมเจ้าค่ะพยายามลดไทมันน้อยลงไปเรื <ai> ่อยๆแล้วแบบเลิกทันท <ai> ีทันใดคงจะยากใช่ไหมเจ้าค <ai> ่ะ <ai> แบบ ม, มันแรงมากเลยเจ้าค่ะแบบปีไม่เป็นไรหรอกปีนี้เราเอาเจ็ดแล้วปีหน้าค่อยเอาแปดก็ได้ดูไปก่อนดูไปก่อนนะเ น, ะนะ mm ี hmm. ่ยื้อกันมากเลยแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจนอนเลยแล้วค่ะปิ ด, ดนอนเลยยิงถ้าเปิดถ้ามานั่งสมาธิได้จะดีกว่าอเกิเลสแรงมากเลยแล้วค่ะหลับดีมากเลยแล้วค่ะถ้าถือสิงแปดเนี่ย <c oughs> หิวก็หิวแล้วเจ้าค่ะแต่ก็หลับดีจริงๆเนี๋ยวต้องหงมากเลยเจ้าค่ะ ว่ามันหลับแล้วมันจะได้ไม่หิวคือไหนก็อืไม่รู้ว่าแต่แปลกนะแต่ถ้าเราไม่ได้ถือสมมุติว่าแบบหิวหิวอย่างเงี้ยดึกดึกอะ ด, ดูอาหารไปเนี้ยก็ลงไปต้อมมากๆนะเจ้าคะแต่ว่าถ้าด้วยความที่เถือกสิ้นแปลงพวกเราก็จะกินไม่ได้เราก็จะตัดไปเลยอย่างเงี้ยเจ้าคะ ก, ก็แปลกเนาะมันก็ยังได้มัหมงว่าร่างกายแบบอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันอยู่ที่ใจเรา เจ้าค่ะในคิดไว้่ช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วเจา้าค่ะพยายามทีว่น้อยหน่อยนะปฏิบัติให้มากข <c oughs> okay. ึ้นโอเคเช้าไปที่อาจารย์สายทิมอันนี้อยู่มาช า, าร์ตคามใช่ไหม่อนแก่น <c oughs> กลันมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยขอนแก่นเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ <Yeah. S 2> เออ ค่ะลองลองนั่งสมาธิแบบไม่เปิดธรรมะค่ะพระอาจารย์พุงุงเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เป็นเป็นเหมือนคิดโน่นคิดนี้ก็เลยอตายแล้วนึกว่าสมาธิดีจริงๆแล้วไม่ดีค่ ะ, คะที่นี้ก็เปลี่ยนมาเป็นฟังธรรมะก็สงบดี แต่ว่าถ้าเป็นช่วงช่วงตื่นเช้าค่ะพระอาจารย์ไม่เปิดธรรมะก็ได้ค่ะเหมือนจิตมันสันสงบค่ะมันหายไปหมดแลค่ะตรงนั้นจะนั่งได้ค่ะไม่เปิดธรรมะก็ได้คข้างๆอยู่จากที่ทํางานเยอะค่ะก็เลยเห็นว่าเออแต่ทีนี้หนูหนูลองแบบนี้ได้ค่ะพระอาจารย์ลองเปิดที่ไม่ใช่ธรรมะเป็นแบบรายการอื่นๆฟังฟังแบบเหมือนแบบไม่ได้สนใจ เพื่อเพื่ออยากจะทดสอบตัวเองค่ะพระอาจารย์เราถ้าไม่ใช่ธรรมะเราจะนั่งนั่งเข้าสมาธิได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็พอนานๆมันมันมันก็ก็เข้าสมาธิได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ลองทดสอบตัวเองดูว่าเผื่อตอนป่วยอะไรเงี้ยค่ะเราคงไม่เผื่อไม่มีใครมาเปิดเทปธรรมะให้เรา mm hmm. เผื่อตอนนั้นมันเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองดูค่ะแต่ก็ใช้เวลาค่ะ ก็ไม่แน่เรื่องที่เราฟังงที่มันจะไม่ใจเราร้อนขึ้นมาก็ได้อา้าวก็จริงจริงไม่ควรเลยค่ะ <laughs> พระอาจารย์เดี๋ยวกิเลสลากไปฟังอันอื่นใช่ค่ะ <laughs> พระอาจารย์คะหนูฟัง팟แคสต์อันหนึ่งเขาเขาพูดเรื่องของว่าสรรพสิ่งในโลกนี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเหมือนตัวเราเองเราก็เป็น ธรรมชาติที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราอยากจะยึดไว้ว่าเรามีเราเหมือนเราอยากไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ฟังแล้วก็ก็เข้าใจว่าเออจริงด้วยเนาะเหมือนเราอยากจะจะให้มันแบบเออแล้วเราก็คือเรานะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเข้าใจเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆแล้วก็หนูหนูคิดถึงว่าที่ที่เรามี เหมือนเราอยากจะให้มีเราก็คือตัวกิเลสใช่ไหมคะพระอาจารย์มันก็เลยทําให้เราไปไหนไม่ได้ธรรมาชาติมันก็มีแล้วก็มีตัวผู้รู้ที่เรามากับกิเลสของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีหน้าที่พยายามกรากิเลสของเราออกไปให้ได้ให้ไ ด, ได้เรื่อยๆจนกว่ากิเลสมันจะหมดเราถึงจะกลับไปอยู่ในจุดที่เป็นแบบความว่างที่เป็ น, เ ป, นเป็นความสงบจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ ใช่ถ้าหมดกิเลสเมื่อไรจิตก็จะสรงของแบบถาวรตัวที่มาทําให้จิตเรไม่ใช่บอกว่าคือตัวกิเลสนี่ก <c oughs> ็คือเราก็พยายามที่จะต้องกําจัดความกิเลสนั่นก็คือความอยากนั่นเองใช่ไหมคะป้าอาจารย์ความโลภความอยากก็ตัวเดียวนั้นโลภกนลงโลภ ก, กดลงความอยากค่อยค่อยฝึก ตับไปเรื่อยๆช่วงนี้นั่งสมาธิมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยๆอาทิตย์ที่แล้วบอกเด็จัจนุรจะค่อยๆทำพระเจ้ว่าจะค่อยทําไมก็มเลยไปรัตื่นกลางคืนถ้าค่อยทําเลยออกมาทำออมาค่อยๆทําค่ะเดินทำงานหาเงินรีบหาเงินกันเจ้าละวะอะกัางคือเราเหมือนแบบรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะ นอนต่อเลยนั่งสมาธิดีนะนั่งกันหน่อยก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยไปลงไปนอนเรื่อยๆต่อไปทำ น, นิสัยพอตื่น น, นอนเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเลยค่ะหนูตื่นงาหนูก็ก็นั่งเลยยกกันว่ากังวลใจเรื่องต้องไปอ่าทําอาหารอะไรเงี้ยคะ่ะให้คุณพ่อก็อันนั้นก็จะลงไปทําแต่ถ้ามีแต่ตัวเองก็นั่งสมาธิก่อนคะ่ะค่อยทํางานอย่างอื่น ทีนี้กลางวันมันก็อยากนั่งแต่สมาธิค่ะเพราะอาจารย์ไม่อยากทำงา น, างน อ, อยาว่ำงานต้องรู้จักการลาเทสส์ต้องรู้จักการลาเทสส์ก็เยยลยแบบเดี๋ยวไปอยากนั่งตอนที่เรานั่งไม่ได้เวลานั่งได้ก็ไม่อยากนั่งกิเลสเราเ น, นี่ยกิเลสเราอีกแล้วงานก็ทำไปถึงเวลาว่างก็ก็คือบริหารจัดการเวลา มาถึงเวลาว่ากก็ไม่อยากจะนั่งอยากจะไปดูเวลาแทนนะเปลี่ยนเวลางานอยากนั <d <d ่งสมาธิเวลานั่งสมาธิอยากไปดูอย่างอื่นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะเกาตัวเองให้ค่อยๆดีขึ้นไปค่อยๆได้มั้ยคะพระอาจารย์พยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ ออ้ที่คูการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะะได้ยินชัดเจนว่ามาเลยเยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าจะเน้นปฏิบัติช่วงเช้าเจ้าค่ะแต่กวันก็จะไปทํา ง, งานเยอะเจ้าค่ะอาจารย์ว่างเวลาไหนก็ปฏิบัติแล้วก็สตินี่ปฏิบัติได้ทั้งวันไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ปฏิบัติได้ตลอดเวลา เน้นสติก่อนในการ น, นะฝึกสติเลื่นตาขึ้นมาทำแบบพุโทโธพุทธไปเลยหรืเฝ้าเลืตาขึ้นมาทั้งร่างกายไปะะมีทําได้ตลอดเวลาเรื่องนังงสมาธิต้องมีเวลาว่างอย่างนี้ทได้ <c oughs> ช่วงที่ทํางานเจ้าขาพระอาจารย์ก็เหมือนจะโฟกัสแต่กับเรื่องงานอะไรอย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็คือตรงนั้นก็ให้มีสติอยู่กับการทํางานไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ <c oughs> อย่าไปะ ค, ะคิดเรื่องอื่นคิดอยู่กับเร่งงานไปพอเสร็จงานก็หยุดคิดพยายามหยุดคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะมีเมื่อเช้า่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่แบบพอนั่งได้นิดนึงเจ้าค่ะแล้วก็มีเมตนางมาหน่อยนึงแต่ว่าไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าอาอยู่กับพุทโธหรือว่าลมหายใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเวทนาไปแล้วทีนี้มันก็จะมีบอกว่า ให้รู้เฉยๆหลยคือําว่าจากพรอาจารย์คิดไปว่าร่างกายมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรนี้เจ้าคะ่ะให้รู้เฉยๆลูกก็เลยแบบอยู่ก็มันก็ไปโฟกัสตรงนี้คําว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆไปอย่างคะคะานี้เจ้าค<ต>่ะอาจารย์ืมก็อยู่ได้พักหึเจ้าค่ะแล้วเนี่ยการปฏิบัติต่อเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ยอมรู้เฉยๆก็ใช้บุตโธบังคับมันให้หยุดแล้วมันอยากจะไปคิดอยากไปอยาก ถ้ามันเกิดยาให้มันหายแล้วยาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องใช้พุโทโธอยู่กันนะคะน้ำน ำ, นำปฏิบัติตามสติกำลังเจ้าคะ่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวผิดสัจจะเจ้าค่ะลองลองไม่ตั้งสัจจะว่าจะเจริญสมาธิอยู่กับพุโทโธได้ก็คือเราตั้งแค่วันเดียวเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มกล้าตั้งยาวอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอดูกําลังของเราก่อนอย่าไปตั้งมากกว่าที่เราทําได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคอนโลเลยไปเจ้าคะ่ะ ลูกขอนำนำมาตามปฏิบัติตามสติกำลังที่จะปฏิบัติได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าสาธุจ้าเจ้าค่ะขอบร้ค่ะันนี้เปนสันนัมัออกรมส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามค่ะโอเคงั้นไปที่คุณสายคุณสายเชิญ ปัทยาเป็นยังไงอะ น, นี้นมอาันมัสการคระว่าอาจารย์ก็ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไปเฝ้ายมโยค่ะเพราะพาตัดที่โรงพยบาบาลก็ใช้เวลานั้นเจริญสมาธิเจริญสติอะค่ะอาจารย์แทนการที่ไปอยู่บนเขาว่าหนูตั้งั จ, จตัวเองไว้ว่าสามเดือนนีในในระหว่างเดือนจะขึ้นไปปฏิบัติแต่ละที่ละที่ใช่ไหมคะ แต่เดือนนี้คิดว่าไม่ได้ไปแล้วแน่ๆเลยเพราะว่าได้จะออกพรรษาแล้วก็ถือว่าเอาโรงพยาบาลเป็นเป็นที่เราจะจะจ ะ, จะนั่งปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ ม, มันก็พอได้นะคะอย่างนี้จะถือว่าผิดศัจจ์ไหมคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปที่วัดอย่างนี้ครับก็มันก็ผิดนะเพราะมันไม่ได้ไปเลย แต่เราเราแก้ได้แล้วก็เลื่อนเวลาไปหน่อยก็ยังได้ขอพัดเวลาไปก่อนก็มีเหตุสุดวิสัยที่เราทำได้ทำไปทำมาแต่ก็อย่าไปลบลมลบทิ้งไปเลยเว้เราเวลามีโอกาสาก็ไปชดใช้ได้อ๋อค่ะแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลคราวนี้ก็รู้สึกว่าตอนแรกยมยมผ่มาตัดยมก็ว้าวุ่นใจเหมือนกันว่ากลัวกลัวว่าจะเป็นอะไรเยอะ แต่ในความกลัวของของที่โยมประสบมาก็บอกตัวเองว่ า, าจะกลัวไปทำไมอีกหน่อยก็เป็นถึงคิวของตัวเองแล้วตอนนี้ถึงคิวเขาอีกหน่อยก็ถึงคิวตัวเองแล้วก็ออรู้สึกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าเรายังได้เกิดอยู่ยมก็รู้สึกออโปรงแล้วก็วางไปได้หายไปเลยค่ะพอาจารย์ตอนแรกนี้รู้สึกว่าใจไม่ดีเลยแต่ตอนหลังพอนึกอย่างนี้ขึ้นได้ปุ๊บมันก็หายไปคะ่ะพระอาจารย์ แล้วก็มา <Yeah. S 1> อีกค่ะแล้วก็มามามาอีกพอกลับมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ไปงานศพของช่างที่รู้จักกันนะคะ mm hmm. หนูก็ไปส่งส่งเขานาะส่งเขาพอดีเขาออกจากโรงเย็นมาค่ะ mm hmm. เห็นหน้าเขาพอดีโจมก็มองมองเขาแล้วก็ขอให้เขา่ไปสู่สุคติบอกว่าเออขอให้ช่างไปสู่สุคตินะแล้วก็วันนี้มาส่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มองภาพเขา เป็นภาพตัวเองที่นอนลงนอนไปอยู่ในโรงแทนนะคะว่าอีกหน่อยเราก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะคะก็ไม่รู้สึกกลัวแล้วก็หนูต้องขอโทษทายาเข้ามาฟังในนี้นะคะคือที่ในบนล่างเขาเนี่ยเขาก็จะญาติๆเขาก็จะเอาเ อ, อ่สตังค์เนี่ยไปปลวป่วยไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแอจาจย์ mm hmm. แต่โยก็มองว่าโอ้แม้แต่ตายไปนะเนี่ยอ่า เขาเป็นคนที่ทํางานเยอะนะทํางานหนักเป็นหัวหลักในบ้านเลยอย่างเงี้ยโยมก็มองว่าเออพอตายไปปุ๊บเขาก็ไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่บาทเดียวถึงจะเอป่วยเอาตังค์ไปป่วยไว้ยังไงมันก็ไม่ได้เอาไปด้วยโยมก็เลยมว่็เออเราแล้วเราจะทํางานไปเยอะๆเพื่ออะไรแล้วความคิดมันก็แวบขึ้นมาก็เพื่อนะอนาคตตอนแก่อย่างเงี้ยก็เป็นกิเลสหลอกเราอีกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ มันก็ต้องมีสำรองไว้อ่ะมันแต่ถ้ามันมีเหตุมผลก็ไม่เป็นกิเลสหรอกเราก็ต้องใช้ไปนะเกิดเราเก็บไข้แทบป่วยหรือเราแก่ไม่มีรายได้เราก็ต้องมีรายได้สำรองไว้ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นเหตุผลเป็นปัญญาเจ้าค่ะโอเงแต่ว่าจะต้องมีเท่าไหร่ถึงจะพอทนะั้นะั้นะนะอาจจะเป็นกิเลสได้ ก็คิดดูเทวันึองเราใช้กี่ตังค์ปีหนึ่งเราใช้กี่ตังค์แล้วเราจะอยู่ไปอีกถ้ากี่ปีนี่เราก็คำนวณดูไว้แต่ไม่ต้องให้มันครบขนาดนั้นหรอกให้มันพออยู่ได้สี่ห้าปีไปก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่ถ้าย่งเดี๋ยวคำนวณไปไว้แค่นี้ยังไม่พอต้องทํางานเพิ่มก็อีกตายแล้วดีไม่ดีมันไม่อยู่ถึงเวลาที่เราคํานวณก็ได้ คำนมันจะอยู่ถึงร้อยปีไปไ ป, ไปมาม า, มาจะตายตั้งแต่หกสิบก็ได้ใช่ค่ะทำ ง, งานเยอะเกินไื่ได้พักก็อย่าไปอย่าไปพักเนไปเอาแค่สี่ห้าปีก็พอสำรองไว้สักสี่ห้าปีก็พ อ, อถึงตอนทว่าตั้งใหม่ถ้าไม่พอแเราก็หาใหม่ก็แล้วกันอืจ้ะค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็คือโยมตั้งแต่โยมไม่ได้ไปใสบ่บาตพระอาจารย์เนี่ยเอ่อตัวข้อวิริยะเนี่ยของโยมจะหายไปนะคะพระอาจารย์ แต่มันก็ไม่ได้ตื่นเช้าใช่ไหก็ไม่ได้ตื่นเช้าไม่ได้ไปไม่ได้ไปทํายวหุ่วิทยาตอนนี้ก็าขาดไปแต่ถ้าเรามาทําทําอย่างอื่นแทนก็ไม่เป็นไรเช่นเรามาเดินจงกมนั่งสมาธิแทนก็โอเคใช่ค่ะแม่ชีเมียบอกว่าเราก็เอาเวลาที่เราตื่นไปเนี่ยมานั่งสมาธิแทนก็ยมก็คิดว่าเออแม่ชีก็แนะดีเหมือนกันเนาะยมก็จะ ก็ทําทําอยู่บ้านนะคะพระอาจารย์ถ้ามันตื่นเช้าเลยตื่นเช้าเกินเวลาที่โยมจะตื่นขึ้นมาทํากับข้าวค่ะพระอาจารย์โยมก็ที่ยมก็คิด่าเพื่อเพื่อทําเตรียมตัวไปทำใส่บาตแล้วก็เอาเวลาให้มันั่งสมาธิกันแล้วกันใช่ค่ะโยมก็จะคิดว่าจะทําแบบนั้นแต่ก็ทําได้อ่าไม่กี่ครั้งนะคะพระอาจารย์ต้องมันยัองมัครับตัวเองต้องนั่งสัจจะอืมจะทำสจจะมันก็โลเลยก็ทํานอกไม่ทำบ้าง ใชค่ะเพราะว่าหยาแล้วมันโรเลยไม่น่าใช่ค่ะพอมีตั้งสัจจหรือเปล่าถ้ายังไม่พอม่อก็อย่าไปตั้งเดี๋ยวเราจะผิดสัจจายองเนาะยมก็กลัวพ่อเนี้แหละยมก็เลยต้องเข้ามาถามอาจารย์ว่าจะทํายังไงกับสั จ, จข้อที่ยมจะไปวัดแต่ก็หายสงสัยแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยมค่อยไปแก้แก้ทีหลังเดี๋ยวเอาวันวันอื่นต่อไปค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะค่ะโอเค ไวหายเร็วๆนะแล้วค่ะอาจารย์ตอบคุณค่ะเนเกลียงไก่ใช่ไหมเปนเกยงไก่ใช่ไใช่ค่ะเกลียงไก่ค่ะโอเคอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะอ๋อออกมาแล้วค่ะอาจารย์ออกมาแล้วค่ะแต่ก็ผ่าตัดก็ยังไม่อยากให้ทำงานเท่าไหร่แต่เขาก็ดื้อเาก็ทําอยูไม่ได้มันก็มันเคยทาอยู่เฉยๆแล้วมันลดเซงก่เนอาจค่ะก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาทาได้ก็ปล่อยเขาทไป ชีวิช่องับเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอ่าุอ่าอ่าเดี๋ยวนี้ขออภยัยนีไม่พีภาพมันไม่อหนีไปอ่าคุณคุณหมอสทัสนี์เชิญมสักการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไ่าไไสาดีแล้วสบายดีเจ้าค่ะไม่ จเจริญสติแล้วก็ปฏิบัติสมาธิทุกวันแล้วก็พยายามรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับอะไรเหมือนที่ท่านอาจารย์สั่งสอนเจ้าค่ะใจเย็ยนสบายนะไม่แบกไม่หามอะไรทั้งนั้นนะปล่อยวางงบดีเจ้าค่ะท่านอาจารย์โอเคทำต่อไปนะขอบคุณเจ้าค่ะไปนี่คือคุณมาริกาเชิญมาริกาอาที่ว่า นักการเจ้าขาพระอาจารย์ก็ลูกก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้วก็ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็ได้ทดสอบอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ท่าพระอาจารย์เพราะว่าการที่เราให้เงินคนอื่นไปในจำนวนมากๆบางครั้งเราก็เกิดอารมณนะ์ได้เหมือนกันแนละ้วก็อาจารย์ก็คือการเสียดายเงินเมื่อ ทในวันที่ผ่านมานะค่อจันทร์ก็พยานามสั่งสอน ว, ว่าสิ่งใดที่ควรสละได้ก็ให้สละไปบางครั้งเงินที่เราหามานั้นเป็นการทดแทนบุญคุ ณ, คณและก็บางครั้งเงินที่เราหามานั้นไปช่วยชีวิตเขาลักษณะอย่างนี้นลูกทําถูกไหมคะว่าเราหามาแล้วก็เราไปให้กับคนอื่นพ่อจันทร์ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการให้ของเราว่าเราให้เพื่ออะไร ถ้าเราให้เพื่อตอบแทนคุณก็ให้ไปถ้าเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ตอบแทนไปแสดงความนตัญยูกตเวที่หรือให้เพื่อสงเคราเขาเขาเดินดร้อเราก็ให้ตามตามตามตามสมควรต่อต่อ ค, ความเดืนดร้อนของเขาให้มีให้แบบไม่เห็นไม่ผลหรือถ้าจะให้แบบเพื่อจะรักกิเลสอนะทุ่มไปเลยเท่าไรเท่ากันอยากจะไม่อยากจะแบกเงินตอนนี้เวลา อาจจะให้คนอื่นเราไปใช้อย่างนี้ก็เท่าหลายเท่ากันก็แล้วแต่เราต้องมีจิตยืนว่าเราจะให้แบบไห น, นเราจะได้ไม่มาเสียใจในภายหลังขอบคุพระอาจารย์แต่ว่าบางครั้งเมื่อเราแบบแตพอจ่ายไอ้ตัวนั้นไปใช่ไหมครับอาจารย์เงินของเราก็มันก็ร่อยหล่อลงไปดังนั้นในส่วนนั้นเราก็ต้องไปหัก เราก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างอย่างการทําอย่างนี้นั้นคือการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองไหมหรือว่าเนอผกด้ก่อนจะให้แล้วก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนให้แล้วเราเดือดร้อนได้เปล่าถ้าเราเดือดร้อนเราก็อยากเพิ่งไปให้เราต้องดูแลตัวเราก่อนให้ตัวเราไม่เดือดร้อนถ้าส่วนเกินแล้วก็ให้ก็ได้ถ้าไม่มีส่วนเกินก็ไม่ไม่ต้องให้มันไม่บาปเรยค่ะพระอาจารย์ไหมคะไม่บาบปเอเยอร์มันไม่ได้บุญนะนั่นเอง ถ้าไม่ได้ทําบุญมันก็ไม่ได้บุญแต่มันไม่บาปเราไม่ได้ไปก่อมยเงินคนอื่นเราไม่ได้ไปทุบตีใครไม่บาปบุญอยู่เฉยเจจ้าาแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ความเมตตาแต่ถ้าเราอาสงสารความเมตตาแล้วยินดีที่จะเดือดร้อนนิดหน่อยนิดกันหน่อยของเราพ่องไปหน่อยนิดกันหน่ใช้น้อยหน่อยแบ่งกันใช้อย่างนี้ก็เราก็ได้บุญ าตานนี้กัอนนะโอเคไปที่กุงจีฟมาเวลเกลดสเบิร์เกเดสเบิร์การรมชาการพระอาจารย์ ไ, ได้ยินไหมครับโยงใช้โทรศัพท์โอเคค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะเสียงพระอาจารย์นหน่อ ย, อ, ยอ๋อไม่เหนื่อยระ ก, ก็อย่างนี้แ<า>หละวางไรื่อยเรื่อยๆนะค ะ, ะค่ ะ, ะวันยมก็ โยมก็เมื่อกี้ฟังคุณแม่น้องตะวันใช่ไหมพูดเรื่องลูกชายโยมก็มีเป็นเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่แบบด้วยความที่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรลูกเพียงแต่ว่าเหมือนกับเรานัดอยากจะเข้ามาดูอยากให้าอากจะสอนระเบียบไว้ในให้เขาว่าถ้าเกิดเขาคอมมิตที่จะแพลแนที่จะทําอะไรแล้วถ้ามีสิ่งใหม่เข้ามาสิ่งเราเข้ามาใหม่ก็อย่าเพิ่งไปแบบ ปฏิเสธไอ้แบบไปเลกยกเลิ ก, เลกในสิ่งที่เราคอมมิชไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามสอนลูกแต่บางทีเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเราไปคาดหวังกับลูกมากไปหรือเปล่าแต่แค่คิดว่าในฐานะแม่ก็พยายามปลึกบุกฝังในสิ่งที่ดีให้เขาอันนี้โยมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกิเลส ข, ของความเป็นแม่หรือเปล่าค่ะพระอาจารย์เป็นหน้าที่เราต้องมีเรเป็นแม่เป็นเหมือ น, น, นกูบาอายลของลูกต้องสอนให้เขารู้<ๆ>จักผิดถูกดีชั่ว สอนให้เขารู้จักดูแลตัวเองรักษาตัวเองพ่าเราต่อไปเราจะไม่ได้ดูแลเขาเป็นตลอดอย่ น, นี้เป็นงา น, น ท, ที่ที่ควรจะทำถ้าไม่ทํานี่เรียกว่าบุบพองหน้าที่ที่ก็มีคําพูดว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโยมก็เองหรือเราจะสั่งสอนมากไปเดี๋ยวจะมีคําใหม่ไว้พ่อแม่เธอสั่งสอนมากเกินไปเราต้องดูขอบเขตนนะดูว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนค่ะ ค่ะก็ก็ไม่มีอะไรค่ะยมก็พยายามปฏิบัติค่ะก็พยายามสอนลูกให้แบบช่วงนี้ลูกก็บางที่เขาทํากิจกรรมเยอะสติเขาก็จะหลุดหลุดไปบ้างแบบวางโทรศัพท์ไปตรงไหนก็จําไม่ได้อะไรเงี้ยยมก็โอเคอย่าเราทงต้องฝึกสติมากกว่านี้แล้วลูกเพราะว่ามัวแต่ไปจดจอกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ ไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่อยู่หน้าตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าการนี่จะ multitasking กันเยอะจกนกระทั่งโนเบลไปเลยทำอะไรทีหลายๆอย่างพร้อมๆกันเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งลูกชายยมจะเข้ามาหาลาัยอีกสองปีใช่ไหมคะเขาก็ต้องมาเน้นกิจกรรมเหมือนกับต้องสร้างโปรไฟล์ว่าต้องทำกิจกรรมแต่คือจริงๆลูกชายก็ชอบแคะค่ะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่เริ่มจะเก็ตเก็ตม .5 ของเมืองไทยใช่ไหมคะ ก็จะเริ่มสร้างโปรไฟล์ว่าชอบกิจกรรมแบบนี้ต้องทำกิจกรรมมันนานต้องอย่างนี้เพื่อจะไปเขียนในเวลาเข้ามหาลัยอ่ะค่ะผมที่นั่นเขาเขาเขาผักนานมากเขาผักนานให้ให้ให้ให้ให้ทําอะไรเยอะๆให้ให้เก่งให้ชลาให้รู้มากใช่ค่ะปนไบางทีมันก็มันก็ทําให้เด็กแบบไม่มีเวลาแบบตั้งสติของตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ว่าแบบ เออนิ่งซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเลิอด<น>ยมเลยไม่แป่งใจว่าทําไมเด็กอเมริกาถึงโดนวิเคราะห์ว่าเป็นสมาธ์ีสั้นกันเยอะอืมอเพราะไมติ เ, น, เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับขาดกขาหลักการของคนอเมริกันต้องสามารถทำอไอทีได้เยอะๆต้องเห็นกะถือว่าเป็นคนเก่ง ใช่คะ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าความมาชัวความเขาเลียกอะไมีมุทิภาวะในเรื่องของความรับผิดชอบในทางตัดสินใจแบบผู้ใหญ่อะ่ะเด็กอเมริกาก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะ mm hmm. แต่ว่าแค่แค่ตัดสินใจแบบฉับไวแต่สติอาจจะยังไม่มีแต่พูดถึงดูแลตัวเองได้ไหมก็ดูแลตัวเองได้เลยหลัก ห, หนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกับการที่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวโยมเองที่พ่อแม่โยมเลี้ยงโยมมาโยมเอรู้สึกว่าเออบางทีลูกในวัยสิกับลูกกับตัวเองในวัยสิ เรายังไปกระโดดโลดเต้นอยู่เลยแต่ลูกยังแบบทำนู้นทำนี้เป็นระดับผู้ใหญ่แบบไปพูดต่อหน้าคนเป็นเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเงี้ยโวมก็ว่าเออเขา ก, เขาก็เขาก็ดีกว่าระดับดีขึ้นในระดับหนึ่งอะคะ่ะแต่ช่วงแต่จิตจิตใ จ, จมารยาทโยมก็ยังต้องสั่งสอนอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะว่าอาจารย์ค่ะก็ก็ไม่มีอะไรก็พยายามนําสิ่งที่พระอาจารย์สอนเรื่องยอมหยุดเย็นก็เอาไปใช้สอนลูกเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ก็ทุกนิ่งสงบโยมถ้าวันหนึ่งตอนนี้คือทุกวันโยมก็จะนิ่งเงียบคือไม่ได้มีเรื่องหอวือหวาอะไรอย่างนี้ถือว่าชีวิตเราเป็นปกติใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ดีแล้วลถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายก็ถืถอว่าโอเคค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะวนะัดพราจุ่านนวัชการคันอันนี้คุณสุภาษณา์แล่า <c oughs> นมาส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ฝึกสติเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วในในระหว่างที่ฝึกสติมันก็มีเหมือนกับว่าเราเอ่อเป็นการพิจารณาตรายักหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับเรากวาดใบไม้แล้วเราก็เห็นว่าใบไม้มันร่วงมาแล้วก็เหมือนกับจิตมันบอกว่ามาแล้วก็ไปพอพอได้ยินคํานี้ปุ๊บ ก็มาพิจารณาว่าเหมือนเอะหมาเราสุนัขที่ป่วยอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาก็เจ็บป่วยมันก็มองไปต้นมาไม่สั์สิ่งของอะไรนะเจ้าคะ่ะก็เหมือนกัน <c oughs> เจ้าค่ะเลยก็เลยพิจารณาตัวนี้ไปด้วยแต่ว่าพระอาจารย์มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะในขณะที่เราฝึกสติแล้วมันมันเกิดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ไม่ใช่ผิดปกติใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ๋อ น, นี่ก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาพิจารณาตายลักไปเห็นการของอสิ่งตองอ่างๆเรื่องใบไม้ต้องลงร่างกายนี้ก็เป็นแบบไม้ต้องลงรู้ไปก็ค่ะคือตอนนี้มองเหมือนตัวเองไม่ใช่เป็นเป็นตัวคนเจ้าค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นร่างกายกตากเจ้าค่ะเจ้าค่ะ Mm hmm. มันจะเห็นเป็นเป็นแวบๆบแบบเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่ก็ยังไงตัวสมาธิตอนนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านยังได้ได้ไม่ได้ไม่นานเหมือนที่เวลาไปนั่งฟังธรรมก็ตรง น, นี้ฝึกเพิ่มขึ้นฝึกสติเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ mm hmm. นี่ฝึกให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วเวลาใช้ปัญญาจะได้ตัดกิเลสได้ง่ายขึ้นเจ้าค่ะ เพราะว่ามันยังมันยังเวลาเวลามีเขาเรียกสติยังไม่ไวเท่ากับอารมณ์เจ้าค่ะอาจารย์มันต้องมันต้องพิจารณานิดนึงมันถึงจะยั้งได้กีเร็ว่ากเลยมันเร็วกว่าเจ้าค่ะก็เลยก็เลยตอนเราก็ตามทันเองกลับไปเจ้าค่ะผมปุ๊บเราก็รู้ล้วก็หยุดมันปั๊บเลยเจ้าค่ะ ตอนนี้พยายามพยายามฝึกตรงนี้ก็ก็ฝึกสติเพิ่มขึ้นอย่างที่พระอาจารย์สอนประอาจาว่าให้ฝึก ส, สติเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นมันจะได้อุเบกขาตรง น, นี้พยายามเจ้าพระอาจารย์ใช่แลมันจะทันทันกิเลสนะนนกิเลสพอขึ้น ม, มาเราก็จะหยุดมันได้ทันทีจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มาเรียนพระอาจารย์เท่านี้เ จ, าจา้าค่ะอาารยอันนี้ไม่มีคําถามจ้าค่ะอะไรที่คุณยินดีจ้คุณยินดีเช่น สวัสดีค่ะลูกก็ไม่มีอะไรอะค่ะท่านอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะก็เดวิดก็ผ่านความคิดถึงมาให้มอนเดิมโอเคเหมือนเดิมค่ะ<น>ท่านอาจารย์ก็เป็นคนเตือนค่ะว่าอย่างเพราะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกไปอยู่ที่เอรัสไอโอวามากันอะคะ่ะเพราะว่าเดวิดไปทํางานไม่ได้พักผ่อนคะ่ะเข้าไปเรื่องงานนะคะท่านอาจารย์อยู่ที่รัสไอโอวา แล้วพอกลับมานโรงงานรายใหญ่เลยที่ยูที่อเมริกาเป็นโรงงานรายใหญนะค่ะ<ม>ค่ะท่าอาจารย์แล้วด้วยความที่ว่าจะขึ้นเครื่องแล้วแบบเครื่องมันเครื่องใช้เวลานานกว่ากว่าขับรถไปเองอ่ะค่ะ mm hmm. เขาคำนวณแล้วเขาก็เลยขับรถไปกัน mm hmm. หนูก็เลยไปเขาอยู่ที่โน่วนที่หนึ่งพอกลับมาก็เลยแบบมีความเอ๊ะมันวันวันอะไรพอดีเขาเป็นคนเตือนเองค่ะเขาบอกวันนี้ถ้าอาจารย์มานะอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ปากบอกด้วยค่ะท่าอาจารย์ ขอใ้ท่านท่าแขนแข็งแรงค่ะแล้วก็บรรจงเต็มทนเลยดีค่ะท่านอาจาคุณท่านอรย์าสูงค่ะท่านอาจารย์ไปที่คุณสมชายสมชายฮานาไปหลายอาทิตย์นี้นไปไหนมาหนีเที่ยวมาเลยเพูดได้เลยเ อ, เ อ, อเคกับสบัสดีครับท่านอาจารย์ผมเข้ามา กับท่านพระอาจารย์เข้ามาฟังในห้องในห้องนี้ครับผมก็เป็นนักเรียนที่ไม่ค่อย <laughs> ตั้งอกตั้งใจมากเท่าไหร่ก็ไปนู่นไปนี่ข อ, อขออภัยท่านพระอาจารย์ที่สุดนะครับก็ about uh, meditation I still uh, put in my mind and uh, still remember everything what you taught me so Uh, thank you so much. That's a... o r for f t o y ก็แค่นี้นะครับ Okay. ดาทึ่มได้เห็นหน้าเห็นตายังไม่ยังไม่ไปไหนนะต่อ Okay. Thank you so much. นะครับท่าน y ถ้าปีหน้ามีโอกาสถ้าโชคดี a t to ดูท่านสักกุฏิเล็กๆนั่นนะฮะสขอบคุณมากครับ o k a าา ไปนี่กุปุ้ยรักเสมอคุณปุยกลับนมัส ก, การเจร้าค่ะพระอาจารย์มาว่าม า, ม, ามีอะไรไห ม, เ, มเออโยมมาจะเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วพอดีเข้ามาไม่ทันเพราะว่าโยมทําธุระวันนี้โยมเข้ามาแล้วแล้วโยมก็เดินไปทําธุระให้ลูกคะ่ะเ uh huh. <laughs> มื่อลูกแบบจะเอาเอกสารจะเอานู่นเอา น, านี้แบบเราก็วิ่งเลยก็ <laughs> โยมก็ไม่มีอะไรเกิดยังปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมแต่ว่า เ อ, อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมจะเข้ามารายงานตัวเพราะโยมฝันเห็นพระอาจารย์พระอาจารย์มันเหมือนเรื่องจริงว่าพระอาจารย์อะโยมเดินตามพอาจารย์ไปสาลาหลังหนึ่งโยมก็ไม่รู้สาลาอะไรเป็นแบบสาลาไม้แต่พอพระอาจารย์หันมากลายเป็นหลวงตามหาบัวแล้วยมก็ไปนั่งฟังธรรมนั้วมันมีคนแก่ใส่นุ่งขาวห่มขาวเต็มเลยและท่านนั่งอยู่บนตัง้งและโยมก็นั่งข้างล่างโยมไม่เคยเจอพระหลวงตามหาบัวเลยค่ะ แล้วท่านก็ฉันมาโยมก็นั่งฟังแล้วทีนี้เออโยมก็นึกในใจอ่ะในฝันนะโยมนึกในใจโอ้สงสัยพระอาจารย์มันดุเราแน่เลยเพราะเราเผลอไปเล่นเกมอ่ะเออโยมกลัวโยมก็โยมโยมจะมายมจะมาขอเขมากับพระอาจารย์โยมเกเรไปหน่อยโยมเผลอไปเล่นเกมวันจันี้แล้วในนี้อย่าหลงตาแกเอาอะไรก็ไม่รู้เป็นไม้อ่ะ เคาะหัวโยมอ่ะสองทีมันไม่มันไม่ได้เคาะแบบแรงๆแบบตีหัวอย่างเงี้ยนะแบบเคาะตึงๆเหมือนอัปการเคาะอ่ะโยมเงี่ยบอกไอ้ทำไมก็นึกในใจในฝันว่าไม่หลวงตาไม่บอกว่าว่าเราในเกเรเราเนี่ไปเล่นเกมโยมก็ยังยังยังยั ง, ยงแบบนึกในใจว่าทําไมหลวงตาไม่ว่าเราคือคือพอโยมไม่เคยฟังเลยนะคะเทปหลวงตามหาบัวพูดเกี่ยวกับเทปเนี่ยะฮะแล้ว ท่านก็เทศท่านบอกให้เทศเรื่องอะไรอสุภะให้โยมฟังโยมก็เลยพอแบบมันขึ้นครึ่งหลับๆั บ, บตื่นๆ่นยังไงก็ไม่รู้พอยมตื่นขึ้นมาโยมก็ไปเปิดดูไอ์ยูทูเนี่ยว่าเอยอสุภะเป็นปยังไงวะเออท่านก็เลยโยมก็เลยนึกขึ้นมาได้เออโยมก็รู้สึกดีแต่ทีนี้มาช่วงออสองสามวันเนี่ย เวลาโยมทําสมาธิโยมเป็นไรไม่รู้พระอาจารย์เหมือนมันเหมือนมีตัวขี้เกียจหรือมา่รมาแกล้งโยมอคือมันรู้สึกปวดหัวปวดตาแต่โยมยังทําอยู่ยังสร้างบุญสร้างบา ร, รมีถือศีลอย่างเงี้ยแต่มันมั น, ม, นมันมีความรู้สึกเงินตัวอะไรมาแกล้งโยมก็เลยอาราธนาขอขอพระอาจารย์ของพระอาจารย์ให้ช่วยเหลือโยมเ อ, อให้โยมได้ตื่นรู้พยายามให้ถูกแกล้งอะค่ะ โอเคต้องมะตาเหี้ตาโนนาถจอมเป็นที่พึ่งของตอนเด็นที่สุดได้ค่ะแต่โยมก็เลยโยมก็ตั้งจิตเดินทางธรรมถึงจะออกพรรษาแล้วโยมก็คิดว่าโยมจะพยายามถือศีลแปดให้มากที่สุดค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ได้แต่งหน้านี่น่าแต่งมาแ<อ>ได้ประหยัดเงินทงองเยอะแยะเดินออกไปดูไานด้วย กับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะก็เพราะว่าโยมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะสวยงจมสวยายสวยใจดีค่ะค่ะร่างกายต่อไปมันก็ต้องเหียวแต่ใจจริงค่ะจริงค่ะใช่ค่ะใช่จริงๆค่ะโยมอันนี้โยมเชื่อมากเลยเพราะว่า ตั้งแต่โยมฝันเนะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอโยมฝันนะโยมรู้สึกว่าเหมือนกับไปนั่งคุยกับเหลวงตามหาบัวแต่โยมก็ไม่เข้าใจว่าโยมก็เดินตามพระอาจารย์ไปแล้วไม่กลายเป็นหลวงตามหาบัวไปได้โยมก็ยังแปลกใจอความฝันมันเป็นได้ทุก อ, อย่างนะฮะไม่ใช่ว่าไม่นแค่ความฝันแล้ว ก, กันอย่ายไปหลงไามันคือคือคือโยมแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกที่ว่าหลวงตาเอาไม้ม า, มาตีหัวโยมโยมก็เลยหรือว่าเราจะมีเพราะว่า โอเคไม่เป็นไรเนะ่ยเป็นความฝันอย่าเป็นอย่าไปถือเป็นเป็นความจริงนะไม่ตไปวิเคราะห์เสียเวลาโอเคค่ะขอให้พระอาจารย์ท่าถันแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าค่ะโยมมากราบขอบพระคุณแล้วก็มารับพลังบวกแล้วก็มาอขอพรให้คุณปุ้ยมีงานใช้ไปตลอดชีวิตไลยนะจ่าทูเจ้าค่ะขอให้คุณปุ้ยอื ตื่นรู้เนี่ยเออไม่ขี้เกียจนะครับพระอาจารย์อาาขยันมากมากะนะง า, านสาธุเจ้าค่าขอให้พระอาจารย์ทัดถันแข็งแรงเจ้าค่าอ่าไปนี่คุณอภิสิทธิ์อาจรย์อพอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์กุนยัครั บ, ร บ, รบกรามนวัสการพระอาจารย์ครับ ม, มีอะไรัหมก็ฝึกภาวนาก็ก็ค้นลงไปในคำบริกรรมพุโทโธนั่นนะครับพระอาจารย์ ก็ใจก็จ่อลงไปในคําบริกรรมพุทโธอยู่แต่ยังไม่ทันได้รวมครับอาจารย์อืมก็ไอตัวที่เอจิตมันเกาะยึดอยู่ก็อาวางลงไปไม่ค่อยได้ครับอาจารย์หรือปัญญายังไม่ทันเกิดครับอาจารย์ยังไม่พอสติยังไม่ครับสติญญยังไม่มีพอที่จะให้ปัญญาเห็นในสิ่งที่จิตเกาะ อ, อยู่ครับอาจารย์ก็ทําแต่ก็พยายามที่จะจ่อลงไปในคําบริกรรมพุทโธนะครับอาจารย ครับก็ททำอยู่ประมาณนี้ครับ้ชิดร่วมก่อนเนาะปัญญาถึงยาตามาครับโอเคนะไงไหมครับขนะอไไคบคุณอาจารย์ครั บ, ค, ร ค, รบคุณกันชิดไต้หวันกัน <c oughs> ชิดมีอะไรไหมเวลาเร่งจะเหลือน้อยน้องกับพระอาจารย์ครับเข้า ม, มาร่วมฟังทมครับพอดี อ, <c oughs> อันนี้ไม่ต้องทำงานนะ วันนี้ทํางานครับเลิกมาสี่โมงแล้วก็อ่าแล้วก็รอนอันนี้ห้าทุ่มครับเกทุ่มนะอยู่อยู่นี่ห้าทุ่มสิบนาทีครับในวันที่นี้จะบอะครั บ, รบโอเคอ่าทนี้กัอนนะจะได้ไปที่คนต่อไปครับเหล่ากาบ้าจา์คอยฟ้าจานธาตุกันแข็งแรงครับมีจอยจยพัทยาเชิญ เก้าค่ะได้ยินหนูไหมคะได้ยินค่ะหนูก็ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมค่ะนา่งสมารถธิเดินจงกรมค่ะแล้วก็ไปใส่บาตรสุวรรณพระค่ะแล้วก็เซนตี๋ยวกัามาร์ทันค่ะแั้วก็ไปที่คุณปางว่นไหร่จอยวงทีระชากบธรรมสการเจ้าข่าวพระอาจารย์ ออหนูจะแจ้งพาาระจ้านะคะว่าตอนที่เราคุยกันถึงเรื่องของสตอรี่ที่ไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่อ่ะค่ะมันยังตึงตาตึงใจของหนูอยู่เราก็วันอาทิตย์นะคะที่หนูไม่ได้ไปฟังธรรมหนูก็เลยกะว่าหนูจะให้แฟนเขาไปไปวัดอ่าวัดพระหาหรือไทยศรีราชาซึ่งเป็นโบสถ์คริสตาแล้วหนูกะว่าจะไปนั่งที่สุสานโเรอ แ, แฟนหนูเขารู้เขาก็เอ็ดหนูก็ไม่ได้ไปหนูก็เลยมานั่งมาตั้ง ตั้งเหมือนมามาวางแผนใหม่ค่ะว่าเอางี้ละกันงั้นเด๋วถ้าหนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิตอนกลางคืนนะคะหนูก็เลยคิดว่าตอนกลางคืนมืดมืดม่นมันน่าจ ะ, ม, นนาจะมันน่าจะทําให้เราแบบตื่นเต้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับซ้อมไว้ก่อนเผื่อเผื่อว่าเราสามารถไปได้แบบนั้นนะคะแล้วหนูก็จะได้หนูจะได้มีกําลังขึ้นคือที่หนูมาวัดนะคะหรือว่ามาใส่หนูแอบแฟนมาตลอดเลยแฟนเขาก็ไม่รู้มันก็เลยเหมือนกับมันเป็นเครื่องเล่นหนูตลอด ตลอดทุกอย่างเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูหนูทำซองไปเรื่อยๆก่อนแล้วถ้าหนูมีเวลาเมื่อไหรล่ละหนูไปได้หนูก็หนูก็จะอยากไปแล้วเพอเอิญค่ะที่เราคุยกันนะคะพออีกสองสวันถัดมาหนูไปเจอคลิปหนึ่งของรายการก้าฐาลุยอะไรทั้งอย่างอะคะ่ะแล้วเขาก็พูดถึงวัดคือเขาว่านักข่าวเขาไปปฏิบัติธรรมพอดีค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่า ไปมอไหนไปเจออาจา ร, รย์ใหญ่นั่งกีดนั่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้หนูเห็นสตอรี่นั้นทั้งรายการเลยก็ก็เลยดูเอาไว้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าคิดว่าอยากจะไปแบบนั้นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูก็ต้องหาเวลาแล้วก็หาทางหลบหลีกแฟนนะคะเพื่อไม่ให้เขารู้แล้วเราจะได้ไปได้ค่ะ <Okay. S 2> นี่ถ้าท่านใดที่ที่สนใจนะคะหนูมีคลิปเดียวหนูหนูอาจจะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยค่ะโอเคด้วยจ้ะขอบคุณจ้ะค่ะคุณเกิดบัณฑิตจารนรมสการพระอาจารย์ครับก็วันอาทิตย์ได้พาเจ้าลูกชายไปใส่บาท ฟังทำหลวงพ่อเยือนครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปทําโรงทานที่บางเอเคหะบางบอนครับแล้วก็วันจันทร์ก็ได้พาคุณแม่ครับไปใส่าบาทาาหลวเพ่ออินทวายครับเออ่ก็เป็นมีข่าวดีก็คือคุณแม่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มเอเริ่มมาแบบภาวนาพุโทโธครับจากที่เขาชอบไปทําบุญไปทําทานครับตอนนี้ก็เริ่มมาพุโทโธครับเราก็เลยเหมือนกับก็ก็ เหมือท่านก็มาทางที่ถูกขึ้นนะครับก็เขาก็บอกเหมือนกันว่าบอกแม่เหมือนกันว่าแม่ก็ต้องรีบทำกันบ้านนะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดไม่ฝึกเลยตอนนี้ยเจอบทเรียนสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ทันครับแม่เขาก็้าพยายามทำพยายามฝึกไปในเวลาข้อสอบหนักๆจะได้ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนครับครับอาจารก็อย่างเมื่อวานาที่ที่เจอหลวงพ่อเยือนที่บ้านรามเสียงธรรมท่านก็เหมือนก็ ท่านก็เหมือนแสดงทําให้เราดูครับท่านเดินครับเดินบินบาบครับแปบนึงท่านก็เวียนหัวครับเหมือนท่านมีภาวะเส้นเลือดสมองตีบครับอืก็ยังได้ไปนวดถวายท่านก็ยังรู้สึกว่าเออท่านทํางานแต่สังขารท่านก็มันก็เสื่อมไปตามตามวัยครับอาจารย์ทุกคนมันเป็นยัไเป็นอะไรก็ต้องร่วงกไปครับแล้วก็ได้เหมือนทําจากท่านท่านบอกว่าเออสังขารมันก็คือสังขารแต่ใจ จ ท, ท่านไอ้ท่านไม่ไม่มันมันไม่ได้ยุ่งอะไรกับสังคาแล้วท่านจะอยู่ต า, ตามตามตามตามเหตุตามปัจจัยไปคี้ยเราก็เหมือนเราก็ได้ฟังธรรมครับเราก็มาปฏิบัติตามเพิ่มมาอาจาก็สั่งแต่ว่ารูป้ไปครับอาจารย์โอเคนะครับครับครับคุณจ่อาจารย์ใจแข็งนะครับคุณจ่ากังอยู่พ่อท่านหรือเปล่าแล้วกลับมาเมืองไทยแล้ว ใช่ค่ะอาจารย์อยู่พอดแลนด์อยู่คาะแลหนูกลับประมาณกลางเดือนพฤศจิกาค่ะ ห, หนูก็หาเหยื่อได้ละค่ะเพื่อนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันสมัยออตอนที่หนูอยู่ไทยให้พาหนูขับรถไปสระบุรีดัะหนูไปลองที่อาทิตย์ที่ล <นำ S 1> ที่ใช <นำ S 1> ่ค่ะใช่ค่ะหนูอยากลองแต่ว่า ก็เมื่อวานนี้ก็คุยกันเสร็จเพื่อนก็ส่งมันมันเหมือนเป็นคนเขียนรีวิวของพันทิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นวัดที่อยู่จังหวัดพิจิตรอะไรเนี้ยค่ะหนูก็อ่านอ่านดูแล้วก็ก็ไม่อะไรค่ะหนูก็ยังรู้สึกว่าแบบมันก็ดูน่าตื่นเต้นดีแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบก็อยากรู้ว่าตัวเองถึงจุดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างทุกวันนี้หนูนั่งก็บางทีหนูจะชอบหลุดว่าอยู่กับคุดโถไม่ได้แต่ว่า สิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงปีที่ผ่านมาคืออุเบกขามันมันแบบหนูรู้สึกได้เลยว่ามันเยอะขึ้นมากๆอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเ อ, อมีสมาธิพอที่จะเข้าอัปปนาเพื่อที่ว่าจะแบบถอนออกมาใช้ปัญญาอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยในความสงบที่ก่อนจะเข้าไปถึงจุดอัปปนาหนูรู้สึกว่ามันมีมากพอที่ทําให้หนูมองเรื่องต่างๆแล้วก็แบบเ อ, อพิจารณาเอาว่าแบบ อมันอย่างเช่นแบบเมื่อคืนนี้่ค่ะหนูก็คิด <c oughs> ในใจกําลังจะแบบเหมือนคุยกับเพื่อนในเท็กแล้วอารมณ์เสียหนูก็กาลังจะกดส่งล้วแล้วก็นึกขึ้นมาว่าแบบเออมนโนกรรมมันตัดที่เรานะถ้าเราส่งกลับไปเนี่ยมันไกลกรรมแล้วมันจะไปละมันจะยาวแล้วมันจะแบบเขาก็จะส่งกลับมาแล้วก็จะส่งกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบเป็นความคิดว่าแบบเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเลยแล้วเขาเองก็คงจะอยาก ของเขาเหมือนกันเขาก็เลยทำในสิ่งที่เขาอยากซึ่งมันก็แค่ไม่ตรงกันเราก็เลยถูกใจค่ะเลยรู้สึกว่าแบบอย่างน้อ ย, ย, ย, ย, ยชะคือพยายามเหมือนเหมือนพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะยังเข้าไม่ได้ถึงสมาธิที่สมควรแก่การใช้ปัญญาแต่อย่างน้อยหนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพัฒนาการค่ะก็ทำไปเรื่อยๆคิดว่าสติคือสิ่งที่ คือเหมือนหนูวันๆหนูฟังพรกเอ่อคลิปนู้นคลิปนี่ฟังพระอาจารย์ฟังพระท่านอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราบางทีหนูก็แบบเหมือนเยอะเกินนะคะข้อมูลมากเกินหนูก็อย่างแบบวันก่อนหนูก็ฟังพระอาจารย์พูดเรื่องอา่าที่บา ร, รมีทั้งหกเพิ่มได้ด้วยบา ร, รมีอีกสี่ตัวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ เอ่อแบบตั้งโอเควันนี้จะตั้งใจว่าจะทําอย่างนี้แล้วหนูก็แบบเช็คว่าแบบเออหนูมีสัจจะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกวันหนึ่งหนูหนูก็อยากจะแบบฝึกสกติอีกวันหนึ่งหนูก็ไปศึกษาเรื่องนิวรห้าคืหนูรู้สึกว่าหนูแบบอเวอร์เดอะเพลสไปนิดนึงก <zone> ็เลยรู้สึกว่ า, าน่าจะเป็นพราจริงๆนะคือไม่มีสติอ่แหละโดยรวมก็ดีไม่เป็นไรศึกษาได้ในช่วงนี้ช่วงศึกษาก็สึกถ้ายังไม่เข้าใจอะไรก็ศึกษาไว้ก็ดีเหมือนกัน แต่มันก็จะมาอาจจะทําให้การปฏิบัติของเราควายเคว้ไปหน่อยจะว่าอะไรกันแน่เนืงจากต้ชนชนปลายไม่ถูกอืมค่ะก็คือจริงๆที่ถูกต้องก็ตั้งตั้งจะ ต, ตั้งเวลาไปเลยใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดกับท่านอื่นว่าตื่นนอนนาก่อนที่จะลุกเลยก็นั่งอาจารปฏิบัติก็นั่งสติก่อนจะเจริญสติก่อนด้วยด้วยไปนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วก็ไปทานปัญญาต่อไป หนูจะหนูว่าหนูขาดความสม่ำเสมอค่ะคือถ้าเวลาหนูตัดสนใจจะนั่งนั่งหนูสามารถนั่งได้เอ่าเป็นหลักชั่วโมงสบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาคือหนูไม่ได้นั่ ง, งในเวลาใช่ค่ ะ, ค, ะคือหนูนั่งเมื่อหนูว่างหรือไม่ก็นั่งเมื่ออยากอะไรอย่างนี้คมันก็เลยขัดตอนโอเคมีอะไรมื่อเดือนที่สิบไหมไม่ไม่มีละคะขอโทษครับเขาเพิ่คุ้นค่ะอาจารย์ เดี๋ยวขอไปทางทางคําถามทางบ้านก่อนนะคุณชื่อมีอะไรมากมีหนึ่งคำถามจากมีหนึ่งคำถามจากคุณเข่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินจงกรมค่ะผมกวาดพื้นหลายรอบเพื่อไม่ให้มีมดแต่สักพักมดก็มาผมต้องเดินก้มหน้าเพื่อเดินหลบหมดครับจะหาที่เดินที่ดีกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําครับกราบขอบพระคุณครับ ก็หาวิธีการมดอย่าให้มันข้ามทับเดินหรอกเนี่ยก็ก็มีมียาที่เรามี ก, นกินเม็กินเม้นแล้วก็ไปลอยตรงช่วงทางเดินมันได้หน่อยพอมันได้กินมันก็จะไม่มาก็ได้หมดแล้วค่ะพอาจารย์คะเนี่ยไปที่คุณชนินตต่อเอาเอาัอา้นสองนาทีสั้นๆได้เวลานี่หมดนะ ครับนมัตกรรมพระอาจารย์ครับผมก็มไม่มีอะไรมากครับก็เหลือแค่ปฏิบัติให้มีสติมากกว่าเดิมครับอยากจะถามพระอาจารย์เรื่องหนึ่งครับถ้าเราเผล่บ่อยให้ผมเนี้ยภาวนาพุทโตพุทโธตลอดทั้งวันได้หรือเปล่าครับก็ถ้าถ้าทําได้เราก็จะไม่ค่อยเผล่ในหมายเขาก็ชอบเผล่ไปเรื่อยๆตามทิสัยตัวอย่างเผล่ไปเรื่อยๆในความเผล่มันก็จะน้อยลงไปบ า, างกคาารั้งผมว่าจารย์ ครับอาจารย์โอเคนะโอเคครับอ่อาที่ท่านต่อไปคุณวริวนคุณวริศตอนนี้อยู่ทีญี่ปุ่นนะหลวงพ่อครับก็วันนี้เข้ามาดึกครับเพียงคืนแล้วครับเพิ่งทําการบ้านเสร็จครับก็เลยแบบเปิดเจะจ ะ, จะนอนแล้วครับก็เอ้จยิ่งด้วยมีหลวงพ่อเะไรลงเข้ามาดูเข้ามาทันด้วยครับก็แบบ <มา S 1> ก็มาก็ก็เอ้ก็เลยเพราะเวลาบางทีถ้าเครียดๆก็เลยได้ใช้ทำมะมากขึ้นก็ เพราะาคิดเรื่องทางโลกคิดเรื่องเรียนไหนมันหนักก็คิดเรื่องทางมะคิดเรื่องธรรมะมันจะทําให้จิตเบาคือมันจะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหมครับถ้าเรื่องทางโลกมันไม่จิตหนักอืทางโลกมันเราจะไปแบกมันก็หนักพอทางธรรมะก็สอนให้เราปล่อยอย่าไปแบกมันก็เบาครับก็ทําให้เข้าใจที่หลวงพ่อบอกมากขึ้นธรรมะกับทางโลกไปด้วยกันไม่ได้ส่วนที่เขาบอกธรรมะกับทางโลกไปก็ได้ก็คือแบบขั้นต้นเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าแบบสุดท้ายความปล่อยวางกับความปล่อยวางทางโลกมัน มันไม่ควรรับทานกันจริงด้วยครับมันจะต้องแยกกันใหม่ใหมมันก็ไปคู่กันนานกันด้านแต่พอถึงระดับระ ด, ดับปฏิบัติแล้วนี่มันก็จะแยกกันครับครับก็ก็ก็อัตตาเหตุทําให้เข้าใจคําว่าอัตตาเหตุตโนานโหมมากขึ้นครับหลังจากมาอยู่ที่เดือนกว่าแล้วครับอ่าดีอย่าง้วะมาฝึกนิสัยตัวเองเานนั่น จ, จะชอบเพิ่มคนอื่นนะไม่ไม่ก็ชอบเพิ่มอยู่บ้านก็ไม่ทำให้ทุกอย่าง นี่ครับ่คุครับก็ก็ก็ทําให้เห็นผู้คนก็เลยเข้าใจคําว่าสราระของใจมากขึ้นเพราะคนที่นี่เขาไม่มีศัตนาก็เลยเลยรู้สึกเอ้ยเรามีบุญนะที่เราเกิดเป็นคนไทยก็เลยเห็นจิ่นี้มากขึ้นครับหลวงพอ่ <Okay. S 2> okay, อโอเคโอเคแคนี้นะขอบพระคุณครับหลวงพอ่อคุณแม่น้องเลนแค่สุดท้ายนะอ่านิว้วกินหมู่ไหมคะ ได้ยินจานได้ยินค่ะพระอาจารย์เพิ่งมาถึงค่ะพระอาจารย์ามาใส่บาทใช่ไหมใช่เจ้าค่ะค่ะก็เข้ามาฟังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติไปกายร่างกายไม่ใช่เราดูแลมันไปตามอัตภาพเนะี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าประเด็นก็คือตามสภาพร่างกายเป็นอะไรก็เป็นไปค่ะพระอาจารย์ก็ ดีใจอค่ะพระอาจารย์เพราะว่าถึงแม้จะมีอุปกรณ์หรือมีปัญหาในร่างกายตัวโยมเองก็ไม่ได้สนใจกับร่างกายอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยเลยเลยไม่ได้ได้ใช้ยาทานยาก็ช้ธรรมาเอาสดไปเรื่อยๆอะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีมากทํรมะเอาสดดีสุดเจ้าค่ะพระอาจารย์อก็เลยแต่ก่อนโยมชอบไปโรงพยาบาลใช่ไหมเจ้าค่ะเพื่อ เอายามาทานปัจจุบันก็ไม่ได้กินยาอะไรเจ้าค่ะก็ฟังแต่ทาําเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีต้องต้องไปก็ต้องไปนะบางทีมันต้องรักษาก็ต้องรักษาแต่ถ้ามันไม่ต้องรักษาได้ก็ไม่ต้องไปรักษามันเจ้าค่ะสาธุค่ะนะท่านที่หลังนะก็นนคิดว่าพอสมควรกับเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมมาฟัง จงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพาความสุขความเจริญในถับยิ่งขึ้นไปเถิด